ถ้าท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายซึ่งมีท่านทสมนตรีเป็นประธานามาต่อมาได้รับําขอร้องให้มาบรรยายธรรมะในรูปของธรรมสราขฉาที่นี่อีกครั้งหนึ่งโปรดเข้าใจว่า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 ไว้ท้ายเสร็จว่าโดยท้ายหัวข้อว่าท่านเข้าใจธรรมะอย่างไรอาตมาต้องขอเวลาหรือขอโอกาสซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อบรรยายนี้ักหน่อยที่เพื่อประโยชน์จะได้บรรยายได้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 ให้ต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับธรรมะดู็พ้ า, ายๆว่าจะชวนให้เกิดชวนให้เป็นทำการวิวาดเนี่ยมากกว่าที่เรากำลั ง, งงงอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคำว่าวาดหรือวาทะนี่ถ้าถือตาม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 ไอ้ที่เรียกว่าอิสซึมอิสซึมที่ใช่ต่อท้ายคำว่าดวนฤทธิ ism, ์ซึมุตฤทธิ์ซอะไรทั้องนี้วาดคำนี้มีความหมายอย่างนี้ท่าน <c oughs> ให้เราจะมีความเห็นข้อที่ยึดไว้เป็นหลักต่างกันก็ไม่ได้หมายถึงการวิวาดอย่างที่ชาวบ้านเขาหมายหมายกันตามธรรมดาคำว่าวิวาด ในภาษาของธรมมะหรือปรัชญาหรือแม้แต่ทางวินัยนี่ของพิษุก็ยังหมายแต่เพียงว่ามีความเห็นต่างกันเท่านั้นที่ถ้าว่าจะมีความเห็นต่างกันแล้วมายืนยันในข้อที่ต่างกันอย่างนี้ <c oughs> ก็คงจะเสียเวลามากท่านคงจะเป็นไปได้ในทางว่า อักรมารมีความคิดเห็นอย่างไรก็จะบรรยายออกมาอาจารย์คริสต์ก็จะซักทซน์ในข้อที่ควรสงสัยหรือทำความกระจ่างให้ยิ่งขึ้นไปฉะ <c oughs> นั้นการที่มีหัวข้อที่ยังกำกวมอย่างนี้ต้องขอภัยที่ทำความเข้าใจกันเสียก่อน <c oughs> ที่เราอยากจะ เปลี่ยนไม่ไม่ไม่ใช่เปลี่ยนแต่จำกัดความหัวข้อนี่ให้ชัดว่าคำว่าท่านเนี่ยหมายถึงพวกเราทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นว่ากำลังเข้าใจธรรมะอย่างไรด้วอแค่ต่อมาก็คือว่า เ, เราควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร สิ่เม่าเรานี่ก็คือท่านทั้งหลายรวมทั้งอาตมาสองคนด้วยก็คือว่าเราเคือท่านทั้งหลายคืเอเราทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรอาตมามีความเห็นว่าเราควรจะใช้หัวข้อที่จำกัดชัดเจนอย่างนี้ท่านอาจารย์คริสต์จะเห็นยังไงในข้อนี้ผ ม, ผมไม่มี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 มีหน้าที่ที่จะบรรยายธรรมะตามหัวข้อที่ว่าที่กำหนดไว้โดยให้หัวข้อที่จำกัดทัากมาตักหน่อยว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรอาจารย์ที่ิทัดข้อที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อจใหม่ยอย่างนี้ เราท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรจะควรจะเข้าใจไม่ไม่ขัดข้องนะครับ <Yeah. S 1> ตลอดจนท่านจะพูดเรื่องเลือกที่เข้าใจธรรมะด้วยอะไรด้ว ย, วยกาลเทศะเพราะไม่ขัดข้องนั่นเห็นว่าควรจะ <c oughs> ส่งเสริมทำเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งเรื่องทำอะไรมันถูกเรื่องถูกราวกันมันจะทำพร้อมๆกันหลายอย่างที่มันขัดต่อกัน่ะ <c oughs>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 ณที่นี้ทมาก็จะได้กล่าว อ, อบรรยายไปตามความมุ่งหมายทมาขอภัยที่ว่าก่อนแต่ที่จะกล่าวถึงเนื้อหาของเรื่องตามหัวข้อนั้นทมาว่าอยากจะกล่าวถึงเรื่อง อ, อปรารภเพศบางประการที่เกี่ยวกับเรื่องนั่นก่อนเสมอเพราะว่าการทําอย่างนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่เราจะพูดนั้นได้ง่ายขึ้น และเป็นการกล่าวบรรยายธรรมะนั้นพร้อมๆกันไปในตัวนั่นจึงขอโอกาสที่จะกล่าวคำปรารรเพตด้วยเวลาประมาณหนึ่งในห้าของทั้งหมดหรือหนึ่งในสี่ของทั้งหมดถ้ามาเผลอไปาจากค์ก็ช่วยช่วยห้ามล่อหรือว่าช่วยช่วยช่วยดึงกลับไปสู่เรื่องโดยเร็วด้วย ข้อแรกที่มาอยากจะกล่าวก็คือว่าข้อภัยอย่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อไปแสดงคำหรือบรรยายธรรมะที่ไหนอะตอมาน่าจะถูกหาว่าอโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมหรือแก่พระศาสนามากเกินไปพูดเป็นการทํานองโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมมากเกินไป อย่างก็ว่าจะโฆษณาขายสินค้ า, านี่เป็นต้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ทราบว่าพระธรรมนั่นธรรมะหรือพระธรรมนั่นวิเศษเหลือเกินวิเศษอย่างยิ่งจนไม่ต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอให้นึกคิดกันไปพลางว่าธรรมะนี่วิเศษจริงจนไม่ต้องอาศัยโฆษณาชวนเชื่อนี่จริงไหม แต่พวกเราะสีกที่ว่ามีจิตเสื่อมทรามลงทุกทีจนต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นทุกทีแม้แต่เรื่องที่เป็นการบุญการกุศลบริสุท ธ, ธิธรรมนี่ก็ยังต้องใช้โฆษณาชวนเชื่อและใช้มากขึ้นทุกทีเช่นกิจการลูกเสือกิจการสภาการชาติหรืออะไรทำนองนี้ก็ยิ่งต้องมี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 กระเดียดไปทางลามุกอนาจารเป็นอบายยมุกหล่ะนี้ก็มีการโฆษณาชวนเชื่อกันยิ่งขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนี่มันเป็นการกลบเกลื่อ น, นดึงความสนใจในธรรมะนี่ให้หังเหไปหมดทั้งมันก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะต้องมีการโฆษณาชวนเชื่อให้แก่ธรรมะบ้างเพื่อจะต่อสู้กันหรือว่าอดึงกันไหวให้เหมาะสม พระมาราคุณอาตมาก็เลยคิดว่าน่าจะถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ขอยอม <c oughs> เนี่ยโลกเราเกำลังร้ายที่พึ่งเนี่ยขอให้กำหนดข้อนี้ไว้ด้วยยิ่งขึ้นทุกทีว่าโลกเรากำลังร้ายที่พึ่งยิ่งขึ้นทุกทีเพราะผลของการโฆษณาชวนเชื่อที่ออกไปที่ออ ก, ออกมาตามความต้องการของ ความเห็นแก่ตัวนี่มากขึ้นทุกทีแต่ค่อยๆกับว่าโลกนี่บรรยากาศในโลกนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของมุสาวาทโฆษณาชวนเชื่อที่กระทำอยู่กลุ่มไปในบรรยากาศของโลกนี้เป็นเรื่องมุสาวาทไปทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนวัตถุซึ่งเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ก็จำเป็นที่จะต้องชชยโวหารมุสาวาทไม่โดยตรงก็โดยอ้อมที่คอยคิดว่าโลกมีบรรยากาศลุ่มไปโดยมุสาวาทมากขึ้นทุกทีหรือเปล่าอย่างนี้จริงอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้มีเหตุผลสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนึกต้องคิดที่เราจะเข้าใจธรรมะหรือแม่จะสนใจธรรมะมองดูแล้ว บรรยากาศแห่งุตสาวาดที่กลุ่มไปนั่นแหละคือบรรยากาศแห่งการเบียดเบียนนั่นโลกเรานี้เต็มไปด้วยการเบียดเบียนด้วยวาจาด้วยเจตนาซึ่งเป็นการเบียดเบียนที่ลึกลับเป็นไปในทาง จ, จิตใจเมื่อมองดูแล้วจะเห็นว่าการเบียดเบียนนี้ไม่ใช่หน้าที่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 เป็นธรรมะของโจรธรรมะของพาลชนหรืออะไรทำนองนี้ไปมากกว่าการเรียนไม่ใช่ธรรมะที่เราต้องประสงค์นั่นจึงว่าไร้ธรรมะกำลังไร้ายธรม ร, ยธรมะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีคุณภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงนั่นมาอยากจะสรุปสั้นๆว่า เรามีคุณภาพทางจิตใจที่จะเข้าใจธรรมะนี่ยเสื่อมลงแม้ว่าทางฝ่ายวัตถุเราจะเจริญเออ่มากขึ้นอาตมาอยากจะยกตัวอย่างขอภัยว่าสแต็มที่ใช้ปิดซองจดหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ค่อยจะได้ตัวกาวที่ทาไว้นั่นนะไม่ค่อยจะติดไม่เหมือนกับสแต็มในยุคก่อน นี่มาไม่เคยไปรอบโลกแต่นั่งดูอยู่ที่เนี่ยรู้ได้จากสแต็มที่ว่าปิดซองจดหมายเพราะอาจะมาปิดซองจดหมายปิดสแต็มเองทั้งนั้นทาราจารคริสอาจจะไม่ไม่เคยปิดสแต็มเองซองจดหมายนี่แต่มาปิดเองรันรู้ว่าสแต็มเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงที่ตรงกาวที่ปิดสแต็มนั่นแล้วทําไมเรามีวิชาความรู้ก้าวหน้าขนาดว่าออกไปนอก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 จึงถือว่ามนุษย์เราเสื่อมลงในข้อนี้จนไม่เหมาะที่จะเข้าใจธรรม ะ, ะยิ่งขึ้นทุกทีปัญหามันจึงมันหนักอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะพยายามทำกันละกันช่วยกันละกันให้เข้าใจธรรมะหรือสนใจธรรมะนี่มันมี อ, อุปสรรคอย่างนี้แต่มาอยากจะกล่าวต่อไปอีกว่าที่นี่เรามองดูถึงเด็กเดก ว่าเด็กๆอนุชนรุ่นนี้หรือรุ่นต่อไปของเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นทุกทีหรือไม่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่ <c oughs> นว่าเด็ ก, เ ล, กเล็กขนาดปรมห้าหรือมอมัธยมหนึง่งอย่างกลาวนั้น <c oughs> ถ้าถามว่าประโยคนี้ใครกล่าว <c oughs> ประโยคว่าแวนนี่ท่านได้แต่ไดมาหรือว่าอันใดย่ำแก่แม่แ ม, มองม้าทำตรงนี้ ใครกล่าวตอบถูกทันทีเลยใครกล่าวแต่ถ้าลองถามว่าประโยคนี้ใครกลา่าวเพื่ อ, อ, อ, อขอพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับไหลใครกล่าวตอบไม่ได้ใอ้ลองคิดดูว่าประโยคที่ว่าขอพระองค์จงตีกลองปลุกคนให้ตื่นจากความหลับเนี่ย ภายกล่าวแล้วก็ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเรียนเป็นวรรณคดีอย่างยิ่งหรือไม่นี่ก็เพราะว่าถ้าเขาตอบถูกไม่ข้อที่ว่าวันนี้ได้แต่ใดมาเนี่ยเขาได้คะแนนแต่ว่าเรื่องตอบถูกว่าให้มาพูดให้ตีกลองกลุกคนให้ตื่นนี่ไม่ได้คะแนนนักเรียนไม่เคยได้คะแนนจึงเลยไม่สนใจ ถ้าเราจะมุ่งหมายเอาผลทางวันนักดีก็ลองคิดดูเถอว่ามันเป็นวันนักดีที่เท่ากันหรือมากกว่า ก, กันหรือดีกว่ากันในการที่จะรู้ข้อที่ว่าแหวนนี้ได้แต่ใดมาหรือว่ารั่วขอพระองค์จงตีกลองหลุกคนให้ตื่นอย่างนี้เป็นต้นนี่เราให้เด็กๆของเราศึกษาเล่าเรียนไปในทางใดในทางที่เหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะหรือไม่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 ที่สิ่งที่พิมพ์ออกมานั่นเป็นเรื่องทางธรรม ะ, ะสักกี่เปอร์เซ็นตสักกี่เปอร์เซ็นจะถึงหนึออ่งเปอร์เซ็นหรือว่าจุด5้าหรือจุดศูนย์ห้าจุดศูนศูนย์ห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าเนี่ยท่านที่เป็นนักศึกษาสนใจในเรื่องอการพิมพ์ของโลกก็จะเข้าใจได้ดีที่ถล า, ายส่วนมากเป็นไปนในทางที่ยั่วให้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 และช่วยอภิปรายอย่างละเอียดสักหน่อยที่แม่คณะสงฆ์เราก็ <c oughs> ยังอยู่ในสภาพที่น่าตกใจคือว่ากิจการของคณะสงฆ์ก้าวหน้าไปแต่ในทางที่จะทำให้อธิกรต้องเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ว่ามุ่งหมายประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการเข้าใจธรรมะ็จและ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 ือวาอยู่ในลักษณะที่น่าชื่นใจหรือว่าอยู่ในลักษณะที่น่าวิตกน่าเป็นห่วงขอให้เราได้อภิปรายกันในข้อนี้ก่อนว่าทีมากล่าวว่าพวกเรากำลังเข้าใจธรรมะกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นั่นเป็นความจริงหรือไม่ขออาจารย์ชิตช่วยอภิปรายส่วนนี้เพื่อความเข้าใจอันดียิ่งกันเสียก่อน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 นี่ก็จะขอยกเว้นให้มันก็เป็นธรรมดาของโลกคนเราก็จะต้องทำมาหากินจะต้องโฆษณาขายสินค้าต่างๆไอย้ยางงี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ติดใจเรื่องที่ท่านได้กล่าวว่าเด็ก อ, อถามอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะไม่รู้เพราะเหตุว่ารู้ธรรมะแล้วไม่ได้คะแนนอันนี้ก็เป็นความจริงอีกก็เห็นจะไม่ต้องอภิปราย หรือไม่ต้องอพูดว่าอะไรรู้สึกว่าก็เด็กเราทุกวันนี้ก็พยายามที่จะหาความรู้เพื่อหาคะแนนมากกว่าที่จะหาความรู้เพื่ออย่างอื่นเราก็อยากสอบได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาของเด็กแต่ว่าในกรณีสุดท้ายที่ท่านได้กล่าวมาว่าวัดของเราทุกวันนี้ก็มีการโฆษณาอยู่มากแล้วก็การที่จะเรียนบาลีเรียนธรรมะในวัดนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับธรรมะเลยก็ได้นี่ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วความจริงไม่อยากให้เดท้าต้องกล่าวให้ผมพูดเองดีกว่าเพราะเช้ายังไงไงก็ยังสีเดียวกันอยู่พูดไปก็จะไม่ดีผมรู้สึกว่นทุกวันนี่ที่ท่านเดท้ากล่าวมาตอนแรกว่าถูกหาความว่าเป็นผู้โฆษณาชวนเชื่อ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 เขาต้องการปัญหาอุปาทานก็นำเอาสิ่งที่อ้างว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงเต็มไปด้วยปัญหาอุปาทานเอามาเสนอให้เอามายื่นให้เป็นต้นประเทศสนาสั่งสอนในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เ, าเทศนาทางทางวิทยุทางอื่นในเรื่องชีวิตบนสวรรค์เทวดาเกี่ยวพาราศีกันอย่างไร เ, เป็นเรื่องสนุกสนานคลื้นฟังกันทั่วประเทศละลอดจนกระทั่ง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 หรือเข้าใจผิดนึกว่าสิ่งที่ได้ยินจากวัดจากาวิทยุกระจายเสียงจากหนัานางสือพิมพ์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธ ร, รรมะนั้นไม่มีความน่าสนใจเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่อาจจะสงสัยได้อย่างนี้แลว้วหรือเป็นเรื่องที่แย้งได้อย่างนี้แลว้วคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยตรงก็ยอมจะหมดความสนใจเห็นว่าธรรมะนั้นเองเป็นสิ่งร้ายประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระ สู่ชีวิตธรรมดาอย่างทางโลกสู่การทำมาหากินตามปกติไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าวัดใดวัดหนึ่งจะโฆษณาพระเครื่องรางรูปหลวงพ่อต่างๆว่าใครได้ไปบูชาแล้วทำให้เกิดหมุนพูนเขาเทำให้เกิดทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้อาจจะมีคนเชื่อได้มากด้วยความเลื่อมใสด้วยศรัทธาชนิดที่ไม่ํานึงเหตุผลแต่อาจจะมีคนอีกมากมายทีเดียว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 จะหาว่ารุนแรงไปก็ ก, ก็สุดแล้วแต่แต่เท่าที่สังเกตดูทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นมีการโฆษณาวัตถุที่กล่าวมาแล้วพระพุทธรูปบง่งพระเครื่องรางบ้างรูปบุคคลบ้างมีการวิโฆษณาแ ข, แข่งแย่งแข่งดีก็ไม่ยังกับสินค้าตลอดจกนกระทั่งทุกวันนี้ส่งเสริมการเรียนวิปัสนากันมาก เขาสำนักวิปัสนาต่างๆกันเสร็จแล้วก็ออกมานินทากันวิปัสสนาโน้นไม่ดีสู้สำนักนี้ไม่ได้สำนักนี้ดีกว่าสำนักโนนนินทากันไปทึงเรื่องส่วนเนื้อส่วนตัวของบุคคลผู้จะเป็นครูบาอาจารย์ผมเองไม่ได้อยู่สำนักวิปัสนาไหนจึงรู้มากเพาได้รับฟังนินทาทุกสำนักใครได้ใครก็มาหาผมแล้วก็มานินทาให้ฟังหมดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่รายละเอียดผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าเมื่อนั่งวิปัสนาเพื่อทําให้ ต้องออกเที่ยวนินทากันแล้วนี่ผมก็ยังไม่เห็นว่าปิีวาสนานั้นเองจะเป็นทางส่งเสริมธรรมะหรือทําให้คนเข้าใจธรรมะแต่อย่างไรปัญหาทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็ อ, อย่างที่เท้าวได้กรุณากล่าวมาผมเป็นคนมีบาศมีกรรมมากก็พูดในรายละเอียดเผ็ดร้อนต่อไปอีกได้ไม่ได้ขัดแย้งประการใดนั้นก็ขอประธานได้โปรดบรรยายต่อไปดีกว่าปล่อยผมพูดไปเดี๋ยวว่าผก็พูดเจ้คนเดียวเท่านั้นเอง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 ของของหลักทฤษฎีแล้วก็ด้นดันเลยไปจนเลยขอบเขตที่จำเป็นเน <c oughs> ี่ยขอให้กำหนดให้ดีๆว่าได้สนใจแต่ในแง่ฝ่ายทฤษฎีและมีนาซ้าด้นดันเลยไปจนเลยขอบเขตของความจำเป็น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 ศึกษาในฝ่ายที่เป็นเพียงหลักทฤษฎีไม่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติแล้วต้นด้านไปเลยขอบเขต <c oughs> ยกตัวอย่างที่เป็นทฤษฎีล้วนๆเช่น <c oughs> <c oughs> ตัวอย่างเช่นเรื่องอาภิธรรมอาภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องทฤษฎีล้วนๆไม่แสดงหลักหรือวิธีปฏิบัติ <c oughs> ถ้าจะพูดด้วย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 ว่าจะเอาชนะความทุกข์นี้ได้อย่างไรที่ท่ลองเปรียบเทียบกันดูว่าอย่างไหนมันน่าสนุกหรือมันชวนดึงชวนให้เกิดความสนใจมากกว่าคนก็จะทํางคิดว่าไปคิดสร้างมนุษย์กันขึ้นมาให้ได้ใหม่เนี่ยมันน่าสนุกกว่าลึกซึ้งกว่าน่าอัศจรรย์กว่าวิเศษวิโสกว่าส่วนวิธีที่จะปฏิบัติ้วยมนุษย์ที่เกิดอยู่แล้วตาดำๆเนี่ย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 ส่วนที่เป็นตรีศีทางหลักวิชานั้นเราแบ่งเป็นพระวินัยพระสูตรพระปรมัตรหรืออภิธรรมในส่วนวินัยเราก็พยายามหลงเคร่งในส่วนพระสูตรเราก็พยายามหลงสวดท่องบนในส่วนปรมัตุสุภิธรรมเราก็หลงถกเถียงกันนี่ <c oughs> มันเป็นมากจนถึงขั้กับว่าลืมลืมดูธรรมะที่เนื้อที่ตัว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 ที่เรกว่าถือศาสนาหรือว่าถือธรรมะตามธรรมเนียมประตามเนี่ยเป็นอย่างนั่นได้เป็นอย่างลูกกูก็ได้เป็นอย่างการทําการค่าชนิดหนึ่งก็ได้เนี่สรุปความว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเ อ, อสนใจธรรมะกันแต่ในแง่ของตรริตติแล้วก็ต้นดันออกไปเลยขอบเขตของความจําเป็นจนกระทั่งว่า พระวินัยพระสูตรพระอริธรรมนั่นเองมากลายเป็นเครื่องมือสําหรับทําความเนิ่นช้าทวงเวลาให้แก่เราไปเสะในการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ข้อเท็จริงข้อนี้อาจารย์ชุติรมีความเห็นอย่างไรมาขอร้องให้ช่วยอภิปรายครั้งหนึ่งก็เห็นอย่างในเท้าว่าแล้วครับก่อจะพูดอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยทุกที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 คือไปเจ้าเข้าใจผิดว่าพระสูตรก็คือธรรมะ เ, เมื่อเรียนพระสูตรก็จะต้องท่องจําให้ได้แล้วก็หมกมุ่นไปในทางท่องจําอย่างที่จะเท่าว่า เ, เมื่อถือศีลก็พยายามถือศีลเคร่งแข่งกัน เ, เพื่อจะหเห็นว่าใครเก่งกับกันหรือมิฉะนั้นก็กลับไปอีกทางหนึ่งทาไมสามารถจะรักษาศีลให้เคร่งได้ก็ไม่รักษามันเลยอ้างว่าเรียนพระอาไไิทพิธรรมดีกว่าลึกซึ้งกว่า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 ถ้าหากว่าจะสอนทันมา ก, กันต่อไปผมเห็นว่าควรจะต้องสอนกันให้มันถูกหลักคือว่าควรจะตั้งขึ้นมาซะก่อนว่าในาศาสนาพุทธในความดีคืออะไรประการที่สองเมื่อความดีคืออะไรแล้วอะไรคือความดีสูงสุดในาศาสนาพุทธเป็นสามาญบริกรรมเพราะฉะนั้นมงั้นถ้าเราไม่สอนอย่างนั้นเราไม่สามารถจะวัดความดีได้ทุกวันในาศาสนาพุทธสอนตัวใบคนทําดีทดําดีแต่ไม่มีไม่บรรลทัดวัด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 หายต่างๆเห็นกันอยู่ต่างๆก็ไม่มีใครเชื่อทั้งหมดนี้ก็เรื่องของความไม่เข้าใจในธรรมะอย่างที่ท้าวได้กล่าวมาแล้วแล้วก็เรื่องไม่เข้าใจวัตถุประสงค์มีของก็มีความเห็นอย่างนี้ที่มายังข้อใจอยู่ข้อข้ อ, ข, อข้อสุดท้ายที่ว่าเ ม, เมื่อเมื่อเคว้หรือเฉหรือเฟอ่อ์ออกไปมากอย่างนี้แล้วมีหวังอยู่บ้างไม่ที่ว่าเราจะทําความเข้าใจกับเขา้า ให้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องได้แล้วเพืจะได้ตั้งต้นด้วยดีต่อไปเอางี้ท่านถามผมจะแล้วจะมาถามก็นี่ความจริงกระผมก็อยากจะกราบเรียนว่าเป็นเป็นเรื่องของไถเท้าครับเพราะไ้เท้าวเป็นสมณะกระผมเองน่ะไม่เป็นไรผมเป็นคารวาะปัจจักตังเวทิตะโภผมรู้ด้วยตนของผมเองผมพอแล้ว ผมไม่มีหน้าที่จะไปสอนใครใครจะทําอะไรก็ทําใครจะใครจะอะไรก็อะไรแล้วผมไม่ต้องไปสอนเพราะเหตุผมไม่เจริพระผมไม่เจรสมณะผมไม่มีหน้าที่ประกาศทําสอนทําผมบวชประเดี๋ยวเดียวแล้วก็สึกออกมาแล้วต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมเองที่จะทำพระนิพพานให้แจง้งแกตัวของผมเองเท่าที่ผมเห็นว่าควรจะเป็นแล้วถ้ามันทําได้ผมก็พอใจส่วนใครจะตกนรกหมกไม่มยังไงผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมก็อยากจะกราบเรียนถามว่าแต่ท่านมีหน้าที่ จะทำพระนิพพานให้แจ้งับผู้อื่นได้เท่าจะทำยังไงอ่านวาข อ, อขอยย้งนิดนึงว่าในฐานะเชี่าจานเครื่องริดรู้จักโลกรู้จักประชาชนรู้จักสังคมกว้างขวางพอจะมองเห็นว่าสังคมที่เฉหรือเหวยหรือเปอร์ไปมากอย่างนี้เรามีทางที่จะทำความเข้าใจกับเขาได้จ น, นใจธรรมะถูกทางนี่ได้หรือไม่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 ที่ควรจะตั้งสิ่งซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าด็อกม่าขึ้นมาเสียทีหนึ่งว่าเรานับถือศาสนาพุทธพุทธศาสนานี่เรานับถือเพื่ออะไรประการที่เรานับถืออะไรเป็นประการที่หนึ่งทุกวันนี้แค่จะนับถืออะไรเราก็ไม่แน่คนที่อ้างว่านับถือศาสนาพุทธน่ะนับถือตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้พ่อควนอูไปจนกระทั่งหมอมรชวงศ์คกฤกรีตนับถือได้หมด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 คือความรู้ที่สําคัญที่สุดที่พระท่านเรียกว่าหรือไ้เท้าเรียกว่ า, ากัตตยานนะคือรู้ว่าทำตัวในทําหน้าที่ของพุทธมามากะแล้วนะ่ะมีเขตไหนเป็นจุดจบคือสําเร็จที่ตรงไหนทุกวันนี้ไม่มีใครบอกนั่งท่าเกือตายก็ไม่รู้ว่าทแล้วหรือยังขึ้นต้นคือไม่รู้กิจยานไม่รู้กัตตยานไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอาแค่นั้นก่อนเพราะว่าให้พเข้าใจเหตุผลเพราะว่ามีฉาง จะสอนกันได้แต่ต้องเป็นคนที่มีที่ฝรั่งเรียก authority แล้วเมื่อถืออย่างไรควรจะถือเหมือนกันสัทีหนึ่ง <c oughs> ไอไอเรื่องแปลศีลผิดกันเข้าใจผิดกันผมไม่ว่าหล้วนะั่นเป็นเสรีภาพบุคคลจะเชื่อถือแต่ในหลักทฤษฎีของพระพุทธศาสนากว้างๆที่เรียกว่าวงกา ร, รศาสนาซึ่งผมอยากจะขอพูดเน้นให้เข้าใจคือถ้าแปลเป็นฝรั่งจะต้องเรียกว่า church of Thailand นั้นนะ่ะควรจะมีด็อกม่าเสีทีแล้ว ควรจะมีทฤษฎีควรจะมีควรจะเป็นที่พึ่งของคารวะคือเขาถามอะไรให้ตอบตรงกันได้ในในหลักการใหญ่ๆแปล ว, ว่าเข้าวัดไหนให้ได้คําตอบเดียวกันซะก่อนสักครับเท่านั้นนะอ่ะพอเวลานี้แต่ละวัดเข้าไปไม่ตรงกันสักวัดหนึ่งผมก็ไม่ทราบจะทำยังไงอย่างไปอมไปสวนโมกไปกราบเรียนถามท่านก็ทําทบุญอย่างไรผมเดาได้ผมไม่เคยไปถามท่านก็คงบอกว่าทําบุญเพื่อเพื่ อ, อ, อขจัดกิเลส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 ตัวเองเป็นเชร์ชกไทยแลนด์ and, สาหรับตัวผมเองตั้งหลักศาสนาตั้งดอกมาพรอมขึ้นมาเองเวลานี้ผมจะเรียกผมนับถือศาสนาใหม่ก็ได้เป็นศาสนาพุทธที่ผมกําหนดตัวเองตามความเข้าใจของผมเองแล้ะผมก็นับถือผมคนเดียวไม่สอนให้ใครทั้งนั้นที่เป็นั้นว่าเรามีหวังที่ว kind of ่า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 ไปในแง่ใดแง่หนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งตามความเห็นของตัวจะยกขึ้นเป็นหลับหรือเป็นหัวใจของธรรมะก็ทำความลาบากให้แก่สังคมท่านหัวข้อก็เราที่มีอยู่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไรนี่ก็นําว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะสมแล้วพระธ ม, มก็จะเที่ยวกาดกล่าว เนื้อหาของเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะอย่างไร <c oughs> เกี่ยวกับข้อนี้อตมาขอชักชวนให้เอสนใจกับคําว่าธรรมะคํานี้อการอีกครั้งหนึ่งธรรมะของคําว่าธรรมะเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เข้าใจแต่ต้นจนตลอดจริงๆ แต่ว่าข้อแรกที่สุดนี่มาข อ, อกาบตรงนิดหนึ่ง <c oughs> ที่จะขอให้ท่านทั้งหลายเออเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันในหลักที่จะกล่าวนี้ก่อนว่าไอ้ธรรมะที่อาจจะเอามาอธิบายหรืออธิปรายแก่กันและกันได้นั่นนั่นยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงยังไม่ใช่ธรรมะที่สูงสุด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 เมื่อกับว่ารสหวานรสเค็มอย่นี้ไม่อาจจะเอามาอภิปรายให้เอคนเข้าใจมันได้นอกไป เ, เว้นแต่แต่ว่าให้เขาชิมมันจริงๆมินันจึงถือว่าไอธรรมะที่อาจจะเอามาพูดได้อภิปรายได้อนี้ยังไม่ใช่ธรรมะแท้จริงและสูงสุดท่านมาขอให้ท่านาจารย์วินิจเคยวินิจใช้หลักที่ว่านี้อีกทีหนึ่ง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 ว้างขวางเกินกว่าใจกายวาจาของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดจะแสดงออกมาได้เมื่อผููใดบรรลุถึงธรรมะขั้นนั้นแล้วก็เป็นธรรมดาย่อมจะแสดงไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะถึงธรรมะขั้นนั้นมันก็จําเป็นทจะต้องปูพื้นต้องวางแนววางทางอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เทรงกระทํามาแล้วถ้าเรายังเมตตาต่อคนอื่น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 ตรงกันในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันหรืออภิปรายกันแต่ในธรรมะแต่ธรรมะในส่วนที่อาจจะพูดได้หรืออภิปรายได้ทีนี้เราจ ะ, จ ะ, จ, ะจะพิจารณากันในความหมายของคำว่าธรรมะให้เป็นที่ยุติเสถีว่าธรรมะอันไหนกันแน่ที่ควรแล้วเดี๋ยวนี้ควรแล้วที่จะ ทำความเข้าใจให้เกิดความสนใจและมีการปฏิบัติในที่สุดเพ <c oughs> ื่อจะย่ำเพ <c oughs> ื่อจะย่ำ <c oughs> กันลืมด้วยพรอมกันในตัวขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> ทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าธรรมะไปตามลาดับดังนี้สักสามขั้นคือว่าข้อแรกที่สุดหรือข้อที่หนึ่งนั่น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 เรียกว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรหมดแม้แต่พระนิพพานก็จัดว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้ายังไม่ทราบก็ข อ, ขอให้ทราบเสไป ด, ด้วยว่าทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรตามหลักในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าธรรมชาติหมดและเรียกว่าอันเรียกสั้นๆว่าธรรมพระนิพพานเป็นธรรมชาติฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งแล้วก็เที่ยงแท้ท้าวอนหรือไม่ประกอบด้วยทุกใเรศนองนี้ ก็ยังเรียกว่าธรรมชาติดังนั้นไม่ต้องพูดถึงไอ้สิ่งสามัญสิ่งสามัญทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมชาติท่านจึงกล่าวว่าธรรมะข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งทั้งปวงที่เป็นธรรมชาติที่นี้ธรรมะพวกที่สองก็คือกฎของสิ่งทั้งปวงซึ่งในที่นี่เราเรียกสั้นๆว่าธรรมดาธรรมตาแรือว่าความเป็นธรรมะรือความเป็นธรรมชาติ นี่เดีว่าธรรมดาก็ได้หมวดที่หนึ่งคือธรรมชาติได้กก่สิ่งทั้งพวงหมวดที่สองคือธรรมดาได้แก่กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งพวงที่นี่หมวดที่สามธรรมะก็คือหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อกันระหว่างสิ่งทั้งพวงให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆเพื่อจะมีชีวิตอยู่ได้โดยผาสุขทันธรรมานี่ก็คือหน้าที่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 ี่ยขออนุญเอกว่าธรรมะนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติและต้องมีเพื่อไม่ให้สิ่งทั้งปวง เ, เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เป็นการกล่าวตามความมุ่งหมายอของสิ่งที่เรียกว่ า, าศาสนาคือมุ่งหมายจะกล่าวเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เท่านั้นเองแต่ตามความมุ่งหมายของพระศสาสดาผู้สอนสาศาสนา ถ้าเราจะกล่าวกันในแง่ของอวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาหรือปรัชญาหรืออะไรเท่านั้นล้วยังกล่าวได้อย่างอื่นโดยโวหารอื่นอีกมากมายจนจนจ น, จนปั่นเผือไปในที่สุดที่ขอกล่าวสั้นๆแต่เพียงว่าธรรมะคือสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ต้องปฏิบัติและต้องมีเพื่อให้สิ่งทั้งพวงเกิดเป็นทุกข์ขึ้นแลนในที่สุดเราจะพบว่า การกระทานั้นไปสิ้นสุดลงตรงที่ว่ามีธรรมะเนี่ยก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นเนีย่ยชักจะงงๆงกันเขาปัางก็ได้ว่าไอ้ที่มีธรรมะจริงมีธรรมะชั้นสูงสุดนั่นก็คือไม่มีอุปาทานแมในธรรมะนั้นว่าธรรมะคือตัวเราธรรมะนั่นคือของเรา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 ที่ไปจนถึงที่สุดเราต้องเข้าใจธรรมะถึงขั้นนี้จึงจเจ้าตัวรอดได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดหรือว่ายังต่ำเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจธรรมะถึงขนาดที่มีธรรมะมีธรรมะคือไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแม้ในตัวธรรมะเอง หรือแม้ในมรคนิพพานที่จะพึงไดน้นี่แหละมันจะยากหรือง่ายจะสั้นหรือยาวจะลึกหรือตื้นอย่างไรก็ขอได้โปรดพิจารณาดูด้วยความระมัดระวังแต่เมื่อให้เมื่อเมื่อเมื่อเมื่ อ, อต้องการให้ธรรมากล่าวว่าธรรมะคืออะไรหรือมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรแล้วต้องเป็นอย่างนี้และวธรมาก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ จึงจะประหยัดเวลาและเข้าใจธรรมะได้ทันแก่เวลาจนสามารถที่จะเดินถูกทางของธรรมะได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะต้องอต้องต้องเงแกล้งไปแกล้งมาไปอีกนานบางทีจะตายซะก่อนก็ได้กว่าจะเข้าใจธรรมะได้ที่สรุปความว่าเกี่ยวกับธรว่าธรรมะนี่คือที่แรกใครเล็งถึงสิ่งทุกสิ่งก่อน และถัดมาให้เล็งถึงกฎเกณฑ์ที่ประจําอยู่ในสิ่งทุกสิ่งและถัดมาให้เล็งถึงหน้าที่ที่สิ่งทุกสิ่งจะพึงประพฤติหรือจะต้องประพฤติหรือควรประพฤติในกระทำต่อกันและกันในระหว่างกันและกันเพื่อทําความทุกข์ให้หมดไป ห, หรืออยาให้เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องปฏิ บ, บัติและต้องมี และเมื่อมีธรรมะถึงขั้นสูงสุดแล้วก็คือความไม่มีอุปารทานยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือของเราและเราเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเรามีจิตว่างเพราะมีธรรมะสมบูรณ์หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ท่าที่กล่าวนี้ท่านอาจารย์คิอริดมีความเห็นอย่างไรขอช่วยอภิปรายด้วย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 จะต้องพยายามทําหน้าที่ต่อตัวเราเองจนจะถึงในความผาสุขที่สูงสุดแในความผาสุขที่สูงสุดนั้นก็ได้ท่าประ ก, กาศมาแล้วคือว่าได้แก่การหมดอุปาทานไม่มีอุปาทานแม้แต่ในธรรมะนั้นนั้นนันก็เท่านี้ที่นี้ทําะไรจะให้เขาเชื่อได้ก็เป็นว่าอาตมาก็ตามอาจารย์ชรีก็ตามยืนยันในข้อเดียวกันว่าธรรมะคือสิ่งนี้ คือของอย่างนี้แล้วท่านจะเห็นได้ว่าท่นทานอาจารย์ครึ่งที่อาจจะพูดจะอธิบายด้วยวิหารธรรมดาง่ายๆได้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอาจจะพูดด้วยวหารธรรมดาให้ท่านธรรมท่านอจารอย่างธรรมดาได้ยิ่งกว่าธรรมาอีกถ้าขอให้คอยฟังให้ดีว่าธรรมะข้อที่หนึ่งคือธรมธรมชาติเลงทังธรรมชาติข้อที่สองเลงซึง กฎธรรมชาติอันที่สามเล็งถึงกิจเป็น ห, หน้าที่ที่ที่สิ่งทั้งปวงจะพึงทารู้ปฏิบัติมีธรรมะจนกระทั่งไม่มีอุปาทานในสิ่งใดและเรียกว่ามีจิตว่างทีนี้คำว่าจิตว่างเนี่ยคือประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญที่ตั้งใจจะอภิปรายในวันนี้และถือว่าเป็นการต่อจากการอธิบายต่อจาก การมิปรายครั้งที่แล้วมานั่นด้วยพระรมาติดข้างอยู่ตรงที่ว่าจะทำงานด้วยจิตว่างอย่างไร <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านยอมรับว่าคําว่าจิตว่างนี่ไม่ใช่คําเหลวไหลแล้วเป็นยอดสุดของพระพุทธศาสนา เ, เ, ปนเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติจน จนให้ถึงให้จนได้เพื่อความเป็นผู้มีจิตว่างเนี่ยให้จนได้ก็จะต้องศึกษาีบศึกษาีิปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดนี้ให้ได้เราจะได้อภิอภิปรายถึงคำว่าว่างที่นี้เตาจมาอยากจะขอขอแทรกแสงข้อคิดอันหนึ่งที่สำคัญมากในเมื่อเราจะ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 รวมทั้งพิธีรีจองท่า <c> น <oughs> มาต้องกล่าวชาตโตปีว่าต้องยิ่งศึกษาโลกหรือศึกษาความทุกข์จึงจะยิ่งรู้พุทธศาสนายิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาแต่ถ้ายิ่งศึกษาโลกหรือยิ่งศึกษาความทุกข์ซึ่งเป็นอันเดียวกับโลกนั่นแหละจะเรียวกว่าชีวิตหรืออะไรก็ได้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 ทั้งฝ่ายเทราวาและฝ่ายมหายานแล้วก็ยังแถมศึกษาวิชาทั้งหมดที่จัดเป็นในอินโดโลยีคือวิชาที่เกี่ยวกับประเทศประเทศอินเดียทั้งหมดเลยศิลปวัฒนธรรมปรัชญาศาสนาอะไรหมดในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียทั้งหมดอาตมาก็ว่ายิ่งไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนามิไดจะยิ่งว ง, ว, วงเวียนอยู่ในป่ารกปารก่ปาพงอะไรอันหนึ่งเท่านั้น ในที่สุดกเวียนหัวก็เลิกราไปเองเป็นว่าแต่จะยิ่งศึกษาโลกหรือชีวิตหรือความทุกข์คือตัวเองในขอบเขตที่ยาวประมาณวาหนึ่งนีเท่านั้นะคือเราเนี่ยยาวประมาณวาหนึ่งนะแล้วเราที่กำลังมีชีวิตเป็นๆอยู่นี่จะมีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้นี่ให้เป็นอย่างมาก <c oughs> นี่เราจึงจะ รู้พุทธศาสนาคือรู้ธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเออ่พากันลงเรียนพุทธศาสนาเรียนภระไตปิดกทั้งหมดเรียนอินโดนีเซียทั้งหมดและเรื่ออะไร อ, อีกมากมายเนี่ยโดยหวังว่าจะรู้ธรรมะหรือจะรู้กับพุทธศาสนาแต่มาว่าแต่มายืนยันว่ายิ่งทําอย่างนั้นยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาจะยิ่งเข้ารอกเข้าคงแล้วเวียนหัวในที่สุด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 ความกรนี้อาจารย์คิริมีความเห็นอย่างไรขอขอพิปลายด้วยผมว่าท่านสอนศาสนาอย่างนี้ต้องสอนสองคมกับผมดีกว่าคือว่าคือว่าต้องต้องต้องคนไม่ยุดสอนคนไม่ยุดนะครับถ้าพูดอย่างนี้ไปสอนคนที่เขายังยุดเขาจะเข้าใจผิดมีทางเข้าใจผิดยังไงโอผิดเยะคือระว่าที่หนึ่งผิดว่างท่านบอกว่าจิตว่างความจริงท่านหมายว่าจิตที่ไม่มีอุปาทาน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 ถ้าผู้กับผมเข้าใจเริ่มสายเข้าใจตลอดไม่ไม่ไ ม, มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะผู้ไปก็ต้องนึกตามไปแต่ว่าสอนคนที่ยังมีอะไรอะไรอยู่บ้างหรือเขาก็ไม่ค่อยจะพูนและไม่ค่อยจะสนใจแล้วบางทีมก็จะลําบากครับอนอกจากนั้นคําพูดเป็นต้นไว้เช่นว่ายิ่งศึกษาพระพุทธศาสนาจะยิ่งไม่รู้พระพุทธศาสนานั้นบางทีคนฟังเข้าไม่เคยได้ยินตกใจซะแล้ววิ่งหนีเลยท่านพุทธทาส อ, อะไรมาพูดก็ไม่รู้บาปกรรมอ่า ก็อาจจะทําให้คนหลีบไปได้ไกลเหมือนกันแล้วบางทีก็มันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยจะคุนหูพูดอย่างนี้ต้องไปสอนญี่ปุ่นคือพูดมันศาสนาเซนอ่ามันก็ลำบากอีกแล้วครับถ้วผมกัคุณรี่ขอพระทานโทษกรารเรียนกองกองเขไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ซะแล้วนะตอนนี้คือว่าอคื อ, อสองกำลังพิจารณาประกอบกันสองข้อคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้าย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 อได้พัดยศมีป ร, รียนหลายประโยคแต่ก็ไม่แน่ว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนานักแต่ว่าไอ้ไอ้ข้อหลังนี่แหละครับที่ว่าศึกษาโลกและความทุกข์นี่มันต้องมีใจอยู่ในแนวของพระพุทธศาสนาด้วยพัดยศถืออย่างอื่นแล้วก็ลําบากแน่คือาะศึกษาโลกด้วยความหวังว่าโลกนี้จะต้องเป็นสุขยิ่งพบทุกข์ท่าไยมันยิ่งไม่แลเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์มันยิ่งเกิดโทมนัทมันยิ่งเกิดความเครียดแฉนมันยิ่งเกิด แล้วความไม่พอใจแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดทุกได้มันจะยิ่งทุกหนักไปอีกถ้าหากว่าเรารู้แนวของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาโลกในแนวนั้นผมว่าบางทีจะอ่าจะดีกว่า อ, อ่ส่วนเรื่องพระไตรบิดกที่ศึกษาแล้วไม่อาจจะช่วยให้เข้าใจถ้าพุทธศาสนาได้นั้นผมไม่พูดแล้วครับพูดไปเดี๋ยวคนเขาจะมาดา่าผมหยาบหยคายๆอีกเขาเคยด่ามาแล้วเอามาพอใจออที่ได้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 จะจะอธิบายต่อไปในโอกาสถัดไปนี้ <c oughs> ขอให้รอไว้ประเดียวที่ข้อที่ว่ายิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยน้ายความว่ามันยิ่งทำให้หลงไหลในในความรู้ในรสอร่อยของความรู้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 ก็ยิ่งสนุกจนคนโบราณยุคหนึ่งเรียกพระไตรปิฎกว่านางฟ้าวานีเดียกวานีแปลว่านางฟ้าทั้งสวยทั้ ง, งอะไรสารพัดอย่างเป็นที่รุ่มหลงของนักศึกษาสามารถจะผูกรัดจิตใจของนักศึกษาให้มัวเมาในานางฟ้าเนี่ยได้เนี่ยมาเคยประสบมาแล้วให้วิชา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 เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมอินเดียความคิดนึกของชาวอินเดียปรัชญางชาวอินเดียแล้วศึกษามาให้หมดแล้วจะจับจุดได้ที่เมาอย่างยืนยันว่ายังไม่มีหวังโดยเฉพาะชาวต่างประเทศถ้าอยากจะรู้พุทธศาสนาเร็วๆรวบรักแล้วก็มาทําตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้อย่างที่เรียกว่าทําวิปัสสนาเนี่ยแต่เขาไม่เป็นวิปัสสนาจริงอย่ากเป็นวิปัสสนาอยากส่วนมากที่ เป็นอะไรออกไปเสีแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะอาจารย์กรตชห้ามเสีแล้วแล้วก็รู้กันอยู่ดีแล้วว่ามันมันให้ผลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏชัดมากขึ้นเป็นเมฆหมอกที่ปิดบังพุทธศาสนายิ่งขึ้นอย่างไรด้วย <c oughs> ชาติาประเทศควรจะทำตามวิธีที่พระเจ้าสอนโดยลองทำการวกควบคุมพฤติของจิต ไว้ในขณะที่ตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลินเนี่ยมีสติสัมปชัญญะควบคุมทฤศติของจิตให้เป็นไปแต่ในทางของสติปัญญาเรื่อยอย่าให้เสือเอียงไปทางของออตัณหาอุปาทานภพชาติอย่างนี้ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันไม่กี่เดือนจะเข้าถึงตัวธรรมตัวพุทธศาสนา ที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้ต้องใช้คําอย่างนี้ขออภัยต้องใช้คําอย่างนี้ตัวพุทธศาสนาและตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้ไม่ใช่ตัวธรรมะหรือตัวพุทธศาสนาที่เขียนเขียนเขียนเขียนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรขึ้นเรื่อยโดยโดยพระอาจารย์ในลําดับต่อมาซึ่งมาสาเร็จรูปเป็นพระไตรปิฎกหรือเป็นอะไรทั้นองนี้ท่านอย่าเล้เข้าใจว่าพวกชาวต่างประเทศจะ ยื่นพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกฝ่ายเทราว่าฝ่า ย, ยมหายานพิชาอินโดโลยีอะไรอะไรหมดแล้วเขาจะรู้พุทธศาสนาอย่างยิ่งมาสอนเรานี่ตอนนี้ไม่ต้องตัวถ้ายังหลงอยู่ในสวนดอกไม้ที่กว้างขวางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันที่จะพบไอ้หัวใจของธรรมะหรือหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยพราะนคราให้เข้าใจเอว่า ยิ่งศึกษาพุทธศาสนาแล้วยิ่งไม่รู้พุทธศาสนานั้นมีความหมายอย่างนี้ <c oughs> แล้วข้อที่ว่าให้ดูที่ตัวทุกหรือตัวโลกตัวชีวิตเนี่ยเรามีความหมายเฉพาะดังนั้นได้โปรดถือว่าเป็นคําที่มีความหมายบัญญัติเฉพาะพ้าพุทธเจา้าท่านตัดคําว่าโลกกับคําว่าทุกนี่ในบางอแทนกันเลยโลกก็คือทุกทุกก็คือโลกบางที่ใช้คําว่าโลกบางที่ใช้คําว่าทุก ก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาโดยที่แท้แล้วตัวโลกนั้นไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขแต่ถ้าว่าเมื่อใดอมีความยึดมั่นหรือมั่นในโลกนั้นในในลักษณะว่าเราว่าของเราแล้วเมื่อนั้นโลกนี่จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไอ้โลกนี่จะหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติบุรพันธุญอ ในวงแคบๆอย่างนี้ก็ได้ยึดมั่นเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นไม่ยึดมั่นเมื่อไรไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นก็จึงสอนให้ดูที่ว่ายึดมั่นเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นที่มันไปเรียนเวลาอื่นไม่ได้เวลาอื่นไม่อาจจะเรียนได้หรือดูได้นอกจากเวลาที่มีความทุกข์เท่านั้นท่นต้องใช้เวลาที่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นวินาทีทองวินาทีเพชรวิเศษที่สุดที่จะศึกา ษ, ษาพระพุทธศาสนา ดูว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรแล้วมาจากอะไรแล้วความตรงกันข้ามของมันคืออะไรและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตรงกันข้ามขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการ <c oughs> ซึ่งเป็นหลักในพระพุทธศาสนาอันยิ่งมองดูเข้ามาในตัวในชีวิตในตัวความทุกข์พฤติของจิตที่กําลังเป็นไปในทางของตันหาวปาทานนั่นแหละคือตัวที่จะต้องมองเห็นชัดและเข้าใจ เนี่เรียกว่ายิ่งดูทุกข์จะยิ่งรู้เอจากทุกข์และยิ่งรู้ธรรมะยิ่งรู้พุทธศาสนาขอใถือว่าเมื่อกล่าวว่าทุกข์และขอให้มีความหมายอย่างนี้เป็นคำความหมายมีความหมายบัญญัติปลายเฉพาะทุกข์ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์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 คือทุกคราวที่ตากระทบรูกหูกระทบเสียงไงไปตามมันดับเนี่ยจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราได้เสียดีเร็ว อ, อย่างนี้นขึ้นมาจะเป็นเป็นเป็นขณะที่มีไว้เฉพาะสำหรับศึกษาพุทธศาสนาและเข้าใจธรรมะได้เร็วที่สุดจึงว่ายิ่งศึกษาที่ความทุกข์แต่ในรักษาเชน่นนี้ในวิธีอย่างนี้ ในความหมายอย่างนี้จะยิ่งรู้พุทธศาสนาโดยเร็วที่สุดอ <c oughs> ขอให้ชักชวนกันศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้แล้วเชกันบอกกล่าวเพื่อนฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศ <c oughs> วา่าว่าถ้าอยากรู้พุทธศาสนาโดยตรงและโดยเร็วแล้วขอให้ทอย่างนี้ถ้าใจไปดกหรือวิชาอินโดนีเซียต่างๆนั้นยังช่วยไม่ได้ยังไม่พอ <c oughs> จึงสรุปว่า ยิ่งศึกษาพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งศึกษาโลกหรือความทุกข์ในลักษณะเจียมากำลังกล่าเนี่ยจะยิ่งรู้จักโลกและรู้จักความทุกข์ก็จะสามารถมีทาให้มีความชนะโลกหรือชนะความทุกข์ได้เป็นนั้นว่าเราใกล้เข้ามาคือว่าเคยเยอะใกล้เข้ามาที่ว่าจะเข้าใจพุทธศาสนาในลักษณะอย่างไรจึงจะตรงจุด เขาบอกกล่าวในที่นี้ว่าคำว่าธรรมะกับคำว่าศาสนาเนี่ยเราใช้กันฟันเฟือถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าธรรมะแต่พอมาถึงสมัยเราปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าศาสนาที่ถ้าให้ถูกให้ตรงจริงๆแล้วต้องให้เล็งทังสิ่งเดียวกันคำว่าศาสนาถ้าเล็งทั้งธรรมะอย่างสมัยพุทธกาลเขาใช้คำคำนี้แล้วก็ใช้ได้ ย่างเขาทักก็ถางว่าชอบใจธรรมะของใครนี่เขาไม่ได้ทักว่าซื้อศาสนาของใครแต่นี้เราเอาคำว่าศาสน า, า, าเนี่ยมาใช้แนทนธรรมธรรมะแล้วมีความหมายของคํารํานี้เฉลี่ยไปเฉออกไปเฉลไปจนเป็นเรื่องปริยรรัดล้วนๆเป็นเรื่องทฤษฎีล้วนๆในตัน้องนั้นทำให้เกิดความลําบากขึ้นที่นี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจ หัวใจของธรรมะหรือจะเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้แล้วแต่จะชอบหัวใจ <c oughs> นี่เราทำคำนี้เราเราตั้งกันขึ้นเองดีกว่าเราเราอย่าอย่าไปสักพระพุทธเจ้าหรือสัพระอราหารรันต์ักอัจาจารย์อะไรเราตั้งขึ้นเองในเมืองไทยเนี่ยคาว่าหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> เพราะว่า ในข้างพุทธการนั้นพุทธศาสนาเป็นหัวใจล้วนๆอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอมาถึงยุคนี้เนื้อหนังกับพี่เปลือกอะไรต่างๆเนี่ยมันงอกขึ้มากกว่าไปจนไม่รู้ว่าหัวใจของธรรมะหรืพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนม <c oughs> ันยังเกิดเป็นปัญหาพิเศษขึ้นเฉพาะสมัยนี้ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> แล้วเราก็จําเป็นจะต้องมีคําคํานี้ขึ้นมาใช้ <c oughs> ที่เราจะได้พิจ า, ารณากันในข้อที่ว่าอะไรเป็นหัวใจ ของธรรมะหรือของศาสนาโดยทั่วไปในวงพุทธบริษัทถ้าถามว่าอะไรเป็นหัวใจของพรรุทธศาสนาธนามาสังเกตเห็นว่าส่วนมากที่สุดตอบกันไปว่าใ้คําสอนสามข้อที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกคือตอนว่าอย่าทําชั่วทุกอย่างทําความดีทุกอย่างทําจิตให้บริสุธทธิ์ที่สิ้นเชิงนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่เือนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่บางคนก็ว่าไอคาถาระอัศชิที่ว่าเยธรรมมาเฮตูปัพภาวเตดังเฮตุงถาระโตที่ที่ถูกจารึกในแผน่นอิดมากที่สุดตั้งในอินเดียและแม่ในเมืองไทยที่นครปฐรมนี่ซึ่งเรื่องมีว่าเมื่อ อ, อ, อัศจริสทาวกของพระพุทธเจ้าองคแรกออกประกาศศาสนานะ มีคนถามท่านว่าพระพุทธศาสนาของพระสมณษษโคดมนี้ว่าอย่างไรพระอาจารย์จิตท่านตอบว่าโดยโดยปริยายคือโดยเอ่างควานั้นเราไม่รู้เรารู้แต่โดยย่อที่ว่าโดยย่อในต้องการพระว่าอย่างไรพระาจาร ต, ตอบอย่างนี้คาถาเยธรรมมาเทตุปปภาวาจึงเป็นคาถาสักดิสิทธิถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทิมแผน่นพิษทั่วไปหมด ดังนี้ก็มีเนี่ยขาให้กําหนดไว้หรือบางพวกอาจจะว่าอริยสัจสีประการเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข์เรื่องที่มาของความทุกข์แล้วก็สภาพที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้ก็วิธีปฏิบัติเพื่อให้สภาพอย่างนั้นปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าอริยสัจสี่นี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยขาให้ลองเข้าใจว่ามันมันถูกหรือมันผิด เมื่อไหเมื่อมันกล่าวต่างๆกันอย่างนี้ <c oughs> ส่วาตรมานั่นขอใช้คำว่ายึดยึดหรือติดในพระพุทธภาสิตอีกอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในแห่มัชชิมมณิกายว่ามีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปให้เป็นประโยคสั้นๆประโยกดีเดียวได้หรือไม่แล้วว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านว่าได้แล้วว่า ัสเปธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือทั้งหมดถ้าได้ยินข้อนี้คือได้ยินทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้คือได้ปฏิบัติทั้งหมดก็าได้รับผลจากข้อนี้คือได้รับผลทั้งหมดที่เราพิจารณาดูว่าอันไหมควร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 ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้รู้ว่าเราจะต้องถือเหตุผลกันแล้วจะต้องดับที่เหตุจึงจะดับผลได้ตรง น, นี้ <c oughs> ที่ส่วนเรื่องอริยสั์นั่นก็มีถึงสี่เรื่องและแต่และเรื่องก็กว้างๆมาไม่อไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนไม่ประสงค์หรือไม่ไ ม, ไม่ชอบที่จะถือว่าเป็นหัวใจของพุทศาสนาเพราะมันมันมากคามากเรื่องถึงสี่เรื่องและแต่และเรื่องก็ยาว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 คำว่าไม่ยึดมั่นถือมันหมายถึงไม่ไปเข้าใจไม่ไปสําคัญผิดไม่ไปเอหลงสําคัญว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่ถ้าเราไม่ยึดมั่นสิ่งใดเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วอะไรมีหมดเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าคือศีลจะมีเองสมาธิจะมีเองปัญญาจะมีเองอยู่ในตัวความที่ไม่ทําความยึดมั่นถือมั่นคนเราขาดศีลก็ไปยึดมั่นอะไรเข้าไม่มีสมาธิก็ไปยึดมั่นอะไรเข้าไม่มีปัญญาโง่ที่สุดคนนั้นะคือตัวความยึดมั่นถือมั่นอย่างอย่างยิ่ง ท่านจึงให้ทำเพียงอันเดียวอย่างเดียวข้อเดียวเรียนก็เรียนข้อเดียวนี้ปฏิบัติก็ปฏิบัติข้อเดียวนี้ได้ผลมาก็จากแตสิ่งสิ่งเดียวนี้คือระมัดระวังจิตในขณะที่ได้ยินรูปแปลงเสียงลมกลิ่นริมรถประจําวันเนี่ยอย่าให้กระแสจิตเป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของเราครับและจิตที่ไม่ได้มีความยึดมั่นโดยพาทานในสิ่งใดว่าตัวเราเนี่ยเป็นจิตที่สมบูรณ์โดยสติปัญญา และสมบูรณ์โดยสติสัมปชัญญะมีสองขางขอให้กําหนดเป็นพิเศษสติปัญญาคำหนึ่งสติสัมปชัญญะคำหนึ่งในขณะที่จิตว่างนั่นน่ะคนเรามีสติสัมปชัญญะและมีสติปัญญาในขณะที่จิตวุ่นเรามีตันหาุปาทานนี่เป็นของตรงกันข้ามเป็นสองฝ่ายเสมอทั้งที่ว่าจิตว่างหมายความว่าจิตไม่มีอุปาทานไม่มีอีโก伊斯มไม่มีอะไรที่เป็นความรู้สึกกำนองนั้นแต่แจมไซต์ตดไซ์เอ ยื่อเี่ยนอยู่ด้วยสติปัญญาและสตินะมะชัญญะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างตามหลักของอพระพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าหลักที่เป็นหัวใจข้อเดียวสั้นๆของพุทธศาสนาก็คือทําจิตให้ว่างจากอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหลักของเรานี้คือหลักที่เป็นหัวใจแท้ของพระพุทธศาสนา การที่เราจะมีหลักที่เป็นหัวใจของธรรมะหรือของพระพุทธศาสนาในประโยคสั้นๆอย่างนี้จะเป็นที่เพียงพอเหมาะสมแบสังคมในยุค ป, ปัจจุบันนี้หรือไม่อย่างไรขรอาจารย์ชลิดช่วยวินิจฉัยก็ฟังท่านอธิบายนี่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็จะต้องตรึกตรองก็ผมเห็นว่าผมเองใน่เห็นด้วยแต่เห็นว่าหลักนี้จะถือว่าง่ายอย่างที่ท่าว่ามันไม่ง่าย คือจะไปอธิบายให้ลุกเด็กเล็กแดงชาวบ้านฟังเอาแค่เยทำ ม, มาเหตุตัพภาวะนี่ก็ลำบากแล้วแกก็ก็จะแปลก็แปลว่าทำทั้งหลายย่อมมีเหตุพระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุนั้นแล้วแล้วทำอย่างไรถึงจะไปถึงการหมดสิน้นอุปาย่านจากเหตุนี่อธิบายกันหลายวันเสียเดียวผมเคยลองอธิบายแล้วไม่ไม่ใช่เข้าใจง่ายๆเลยอ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 เพราะฉะนั้นจะยึดอะไรมันก็ไม่ได้นะแค่จะเป็นเหตุหรือเป็นผลมันก็ยังไม่แน่เสียแล้วจะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นของขขาของเราได้อย่างไงที่จะกธรรมะอย่างนี้ข้อเดียว อ, อาจคิดดูพิจารณาดูให้ดีแล้วผมว่ามันก็ถึงอก็อถึงที่จุดประสงค์คือการหมดสิ้นอุปาทานได้แต่ว่าในที่นี้มันไม่ช่วยแต่ธรรมะข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจา้าทุกข้อถ้ามีปัญญา<ม>จะพิจารณาไปในทางปัดอุปาทาน ก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ทุกข้อเ อ, อนอกจากว่ า, าเพื่อความง่ายความสะดวกจะยึดแต่ธรรมะก่อนเดียววจใจพระาศาสนาเพื่อให้หมดสิน้นให้ถึงที่ อ, อการหมดสิน้นอุปาทานเราก็พอจะทําได้แต่ทีนี้พระองก็ยังติดใจยอยู่วันี้ว่าเราพิจารณาโลกอย่างไรก็ตามทีโลกและความทุกข์รู้จักโลกรู้จักทุกข์ถ้าใจไม่รู้จักพระพุทธเจา้าไม่รู้จักคําสอนสั่งสอนพระพุทธเจา้าแล้วไปไม่รอด อย่างน้อยก็ต้องนั่งท่องเยธรรมมาเหตตาปะทวาเอาหลักศิลาจารึกของพระเจ้าเอาศอกใส่ไว้ในหัวใจก่อนแล้วก็ดูโลกอีกทีอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นหมดอุปาทานได้แต่ว่าถ้าจะเพ่งต่โลกเพ่งแต่เพ่งแต่ความทุกข์โดยไม่คานึงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่คานึงถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่คานึงถึงทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ไม่คานึงถึงถึงถถึงอริยสัจแลวครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วไม่รู้จักโลกจริงๆมันไม่มีทางจะรู้จัก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 มันมั น, ม, นมันเรื่องของความยากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าขึ้นต้นผมเป็นคนคือเห็นจะต้องยอมรับตรงๆวัชาตินี้จะตราสรูุ้วัฏฌนี้ชาตุไหนก็ตามทีอย่างดีที่สุดก็เห็นจะเป็นแค่อนุพุทธหรือสาว ก, กพุทธที่จะเป็นสามมาสามพุทธหรือปัจเจกพุทธนี่ไม่ถึงแน่คือถ้าไม่มีใครมาสอนก่อนมองอะไรไม่ออกครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่มองเห็นโลกเข้าใจโลกรู้ความทุกขก็โดยเหตุที่มีศรัทธาเป็นเบื้องตน้น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 คือไม่พยายามคิดอะไรให้มันวกวนนอกศาสนาขึ้นตอนมีสติยว่าคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่านอกอริยสัจหรือเปล่าถ้าไม่นอกแล้วคิดยึดอย่างนี้จะไปผิดยังไงบ้าง อ, อผมคิดแต่เพียงแค่นั้นนี่ผมก็บอกตร ง, งๆว่าผมก็ศึกษาด้วยวิธีใช่ศรัทธาเหมือนอย่างอย่างยิ่งเหมือนกันแต่เพียงแค่นี้ไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าเ อ, อ, อะไรให้มันกว้างขวางเกินไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลืม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 ถ้าจะศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีมันก็ติดได้เพราะเห็นว่าพระไตรปิฎกเป็นหนังสือไพเราะจริงๆในทางอัจริก็มีสูงถ้าจะศึกษาในทางเหตุผลพระไตรปิฎกก็ไพเราะจริงๆอีกในสาระมีเนื้อความมีเหตุผลมากมายเหลือเกินถ้าจะผัดศึกษาในทางอักษรในทางอักษรศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาอีกเป็นภาษาโบราณที่น่าสนใจมาก นี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้อีกครับพระชายบิดกเนี่ยคือจะไปลืมซะเลยก็ไม่ได้เราธรรมะก็พระพุทธเจ้าที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราเอามาพูดกันได้ทุกวันนี้ก็มาจากพระชาระชายบิดกก็ไม่ได้มาจากไหนจริงอยู่สถ า, ารศึกษาพระชายบิดกรุ่มหลงไปก็มีอาจจะมีสิ่งพุ่มเฟยมากแต่ของที่เราเห็นว่าถูกก็ยังอยู่ในพระชายบิดกนั่นเองรวมทั้งของที่เราไม่เชื่อที่เราเห็นว่าผิดด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนชี้ว่าพระชายบิดกหน้าไหนฉบับไหนถูกหน้าไหนผิด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 อยู่ในใจเป็นเบื้องแรกแล้วผมมาศึกษาโรคให้ตายศึกษาทุกข์ให้ตายก็มีแต่จะทุกข์มีแต่จะยึดมีแต่จะเกิดนิวรณ์มีแต่จะดิ้นรนผลฝ่ายต่อไปไม่มีทางสิ้นทางสุดได้ผมเชื่อว่าคนที่จะตรัสรู้ได้โดยไม่กำเนึนถึงพระพุทธศาสนาทุก ค, คนที่จะรู้โรครู้ทุกข์ได้โดยตัวเองโดยไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนเลยนั้นมีคนคนเดียวเท่า น, นั้นคือพระพุทธเจ้าเองคนอื่นทําไม่ได้คนอื่นต้องไปแนวต้องไปตามมรดกที่เดชสงวางไว้ ที่ผมเชื่ออย่างนี้จะผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบ ข, ข อ, อกราบเรียนถามท่านอาจมาเข้าใจแล้วอาจารย์มาม อ, มองเห็นแล้วว่าอว่าที่เรายังเข้าใจอไหว้กันอยู่นั่นคืออย่างไง <c oughs> ที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาอาคือหลักพระพุทธบาทสิทธข้อนี้นั่นมา่าว่าจะเลือกเอาหลักที่ มีประโยชน์ที่สุดหรือว่าครอบคลุมความหมายทั้งหมดไวามาถือเป็นหลักแม้แต่สำหรับจะเชื่อจางกริกล่าวจุดจองที่ว่าเราจะต้องอาศัยความเชื่อเป็นข้อแรกเป็นพื้นฐาน <c oughs> ที่มาก็บอกว่าเพื่อจะประหยัดเวลา เพื่อช่วยให้ประหยัดเว ล, ลาแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัตินั่นนะ่ะความเชื่อนั้นนะ่ะเอามาระดุมระดมทุ่มเทลงไปที่หัวใจของพระพุทธศาสนาและจะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดกว้างขวางวาที่สุดสมสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าได้รวมพระพุทธประธรรมพระสงค์ศีลสมาธิปัญญาหรืออะไรหมดสิ้นทั้งพระพุทธศาสนาไวา้ในประโยคประโยคนี้ <c oughs> ข้อนี้หมายความว่าพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงนั่นก็คือคู่หรือภาวะหรือบุคคลที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นหัวใจของพระพุทธเจ้าก็คือภาวะที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านจัดจัรู้และท่านทำลายความยึดมั่นถือมั่นหมดไปพระพุทธเจ้าองค์แท่องค์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 นี่ก็ให้ปฏิบัติในลักษณะที่ทําลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วพระธรรมในส่วนที่เป็นปฏิเวทคือผลที่ได้รับก็ขอให้เป็นมรรคผลนิพพานคือทําลายความยึดมั่นถือมั่นได้ตามส่วนจนกระทั่งหมดจดสิ้นเชิงอันพระธรรมในรูปของปริยัติกดดีในรูปของปฏิบัติกดดีในรูปของปฏิเวตกดดีคือพระธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมีหัวใจอยู่ตรงที่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 แล้วเมื่อหมดความยึดมั่นถือมันแล้วนี่ยคือประพุทธประธรรมประสง์หรือแลแต่จะเรียกนี่เรียกว่าโดยหลักอันนี้อันเดียวเท่านั้นเรามีประพุทธประธรรมประสง์ในเนื้อในตัวที่นี้เพิ่มขึ้นมาถึงว่านี่นิสัทธาในประพุทธประธรรมประสง์นี่หมดปัญหาไปแล้วที่เลื่อนขึ้นมาถึงว่าสีนสมาธิปัญญาเมื่อทําอยู่อย่างนี้ ศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนอยู่ในตัวเองเพราะว่าขาดศีลก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นในของรักในของไม่รักแล้วก็ทําไปตามความลุ้อานาจแก่ความรักหรือความไม่รักแล้วก็ขาดศีลอย่างนี้สมาธินี่มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยเป็นนิวรนต่างๆนา น, นานก็เพราะได้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรข้าวพอมองเห็นสิ่งทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฉะ น, นั้นจิตก็สงบรังงับลงไปเองเป็นสมาธิเอง เรื่องการเพ่งพิจารณาอยู่เสมออในหลักที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ยคือตัวปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ใจพวกเรามีถ้าเราจึงมีศีลสมาธิปัญญาที่ถ้าจะพูดถึงในวัตถุตัวพระไตรปิฎกเราก็เห็นได้ชัดว่าพระไตรปิฎกทุกคําพูดมุ่งไปยังการทําลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น เรารวบเอามาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการจะเห็นได้ชัดว่าความทุกขเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมัน่นที่ทุกข์ก้าวร้อนอยู่ในใจเนี่ยคือผลของความยึดมั่นถือมัน่นขอให้ดูให้ดีพอดูให้ดีเห็นว่าทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราได้อริยสัจสองข้อเต็มๆแล้วคือเรื่องทุกข์ข้อหนึ่งเรื่องสมุทัยข้อหนึ่งที่กําลังเห็นชัดต่อไปว่า เมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือไม่มีตัณหาไม่มีตัณหานั่นแหละคือนิโรธคือความดับทุกข์ที่กมองเห็นชัดว่าไอ้ทำทุกอย่างทุกประการการกระทําทุกอย่างทุกประการที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือตัวมรรคแม้ท่านจะจำแนกว้เป็นแปดองค์ว่าเป็นความถูกต้องแปดประการ คือมีความเข้าใจถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องพูดจาถูกต้องกระทําถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องอักเพียนถูกต้อง อ, อมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องราวนี้ไม่จะจําแนกออกไปตั้งแปดองค์มันก็ล้วนแต่มุ่งหมายที่จะทําลายความยึดมั่นถือมั่นด้วยความสำคัญผิดอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราเสมอและยกเอาข้อแรกคือตมาทิฏฐิเห็นชอบเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นหลักใหญ่ มันต้องเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ก่อนจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แต่หลังจากนั้นก็ฝ่าฝันถูกต้องเองคือมีสัมมาทั้งกโปรถูกต้องเองแล้วก็พูดจาถูกต้องเองกัมมันโตถูกต้องเองอาชีววายามสุสติสมาธิถูกต้องเป็นหางตามกันไปเองนสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนเสมอพระพุทธเจ้าท่านตรัอย่างนั้นนั้นสัมมาทิฏฐินั้นก็คือเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น ว่าเราว่าของเราเนี่ยเราจึงมีอริยสัจอีกสองขมาครอบเป็นสี่และเป็นอริยสัจร่วมอยู่ในคําคําเดียวว่าอสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นทัานศรัทธาในพระพุะทธธรรมประสงค์กตีการปฏิบัติศินสมาธิปัญญากตีการปฏิบัติออื่นๆทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับมรรคมีองค์แปดหรือปฏิจจสมุปบาทหรือพจชงหรืออะไรก็ตาม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 หรือของพระพุทธศาสนาแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างง่ายให้อีกชุดหนึ่งเอามายอมเห็นด้วยยอมรับอาจารย์คริตว่ามันยากหรือมันลึกสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราหาหนทางสุดความสามารถของเราเราจะพบว่ามีหนทางที่จะแบ่งแยกเอามาเป็นระบบหนึ่ง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 ตามาศาสตร์ตามส่วนตามความ อ, อสามารถของเราทีนี้ที่อาตมา อ, อได้กล่าวไว้แล้วว่าเรามีระบบปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งเตรียมขึ้นสําหรับคนตัวทั่วไปจะเข้าใจได้และปฏิบัติได้ระบบนั้นก็คือคําว่าจิตว่างอย่างที่กล่าวมาแล้วอาตมาได้เผชิญกับปัญหายากเรื่อง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 ีนี่ไหนๆก็เอได้กล่าวว่าจิตว่างและถูกหาว่าเอกล่าวคําที่เขาเข้าใจไม่ได้มามากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะขอประกาศย้าลงไปอีกว่าอาตมายัางกล่าวอย่างนั้นและยังจะแถมกล่าวให้มากกว่านั้นและขอให้ระวังฟังให้ดีอาตมาจะกล่าวว่าระบบนี้มีหัวข้อปฏิบัติก็คือว่า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 หรือตื่นแต่มาจะเป็นจำบวดในทำนองที่อาจจะทำให้คนหลับลงที <c oughs> ่เขาอจารคริ์ช่วยช่วยกำหนดหลักสีห้าข้อนี้แล้วช่วยอภิปรายด้วยแต่จะมาจะกล่าวให้สิ้นกระแสะความ <c oughs> ที่เรียกว่า <c oughs> ทำงานด้จิตว่าง <c oughs> ข้อที่หนึ่งนั่น ด้ืยอเราทำงานที่เป็นหน้าที่ของเราทุกอย่างทุกประการด้วยจิตที่ไม่มีอีโกอซึมไม่มีความรู้สึกที่น้อมปใะทางมีตัวกูหรือมีของกูไม่มีความรู้สึกที่ได้ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในลักษณะที่จะเอาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่อย่างนี้เียกาจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวกูหรือตัวเราหรือตัวตนนั่นเอง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 สติปัญญานั้นทําให้ฉลาดในการกระทําสติปัญญาทํำให้เราฉลาดรูรอบรู้ในการทำสติสมัมปชัญญะทําให้เรารอบคอบสุขุมในการทำํำนี่คือตัวตัวสําคัญของหลักปฏิบัติรพระพุทธเจ้าท่านสัจว่าสติเท่านั้นสติเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดได้แต่เราต้องขยายความเป็นสติปัญญาฉลาดทำสติสมัมปชัญญะแล้วก็รอบครอบทำ สติปัญญากับสติสัมปชัญญะนี่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเราสองอย่างนี้รวมกันไม่ได้มีในขณะเดียวกันไม่ได้หมาว่าจิตต้องเราจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นันนนนน่นจริงบางทีก็มีอุปาทานกิเลสตัณหาแต่บางทีก็มีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาแต่ขอแท้จริงนั่นมันรวมกันไม่ได้มันมีอยู่ในขณะเดียวกันไม่ได้ ถ้ามีปูพาทานไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะถ้ามีสติสัมปชัญญะสติปัญญาก็ไม่มีอุปาทานเพราะในขณะใดจิตว่างอย่าปูพาทานเราเรียกว่าจิตว่างในขณะนั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะถ้าเราทําหน้าที่การงานในหน้าที่อย่างใดที่บ้านที่ออฟฟิศที่ไหนก็ตามเถิดโดยปราศจากความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าเพื่อเราเพื่อตัวเราเพื่อของเราแล้ว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 ตัมมาทิฏฐิคือตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วต้องมีความหมายว่ามันเพียงแต่ว่างจากตัวเราซึ่งเป็นเพียงความสําคัญผิดความยึดมั่นด้วยปาฏฐานเท่านั้นนะถ้าไม่มีตัวเราก็จะเรียกว่าอะไรมันก็ต้องเรียกว่าว่างจากตัวเราแต่ในขณะที่ว่างจากตัวเรานั้นก็คือสติปัญญาคือพุทธคือธรรมะคืออะไรทุกอย่างอย่างที่พวกที่กายเซนเขารวบรัดเอานะ่ะว่าพุทธคือความว่างธรรมะคือความว่าง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 จังว่าชาวนาทำนาทำได้จิตว่างฮนะมายถึว่าขุดนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลหิยย่อยแต่จิตว่าไม่ยึดมัน่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนในสิ่งใดหมดท่านเขาร้องเพลงพลางขุดนาไปพลางก็เรียกว่าทำนาหรือขุดนาด้วยจิตว่างมันเลยสนุกสนานในการขุดนั่นเองและรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยทันยิ่งสนุกใหญ่ จิตก็ยิ่งว่างใหญ่จึงทานาได้โดยสนุกสนานไม่มีความคิดนึกน้อมไปในทางมาไปขโมยดีกว่าเพราะไม่เหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนแจวเรือจ้างกลางแดดกลางลมกลางขนทวนน้ำด้วยถ้าจิตว่างมะทอไม่มีความคิดนึกทิ่นน้อมไปในทางเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นคนจนเขาเป็นคนรวยแต่ทาดังนั้นไม่มีเลย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 กับสนุกสนานชื่นบานร้องเพลงไปพลางแกวเรือไปพลางก็ได้เหมือนกันแม้จะคนถีบสามล่อหรือว่ากรรมกรอย่างอื่นก็เหมือนกันจะต้องมีหลักอย่างนี้จึงจะเรียกว่าขณะนั่นเท้าทํางานอยู่ในจิตว่างทีนี้ที่ละเอียดออกไปต่อมาอยากจะยกตัวอย่างว่าเหมือนกัการที่จะยิงปืนหรือคว้างแม่นตรง น, น, นี้เขาต้องเตรียมจิตให้ว่างจึงจะยิงแม่นหรือคว้างแม่น ถ้าจิตเต็มไปเลยอีโก้มว่าเราจะยิงให้ถูกได้รับเกียรติได้รับรางวัลถ้ายิงผิดเขาจะหากันอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเอยิงได้แม่นยําท่านเขาต้องสํารวมจิตขจัดไออีโก้สมอยาอางนี้ออกไปให้หมดเหลือแต่สติสมัมปชัญญะกับสติปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะเพียงเท่านั้นเราทําไปด้วยเอ สติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะหรือสมาธินั้นโดยลืมหมดว่าไม่มีตัวเราอยู่ที่ไหนเลยแล้วมือเนี่ยก็จะทําไปได้เต็มหน้าของสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาหรือสมาธินั้นซึ่งมันเป็นใต้สําสนึกเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวก็เลยว่างแม่นหรือยิงแม่นเหมือนกปฏิหารที่เรียกว่าทำไปด้ยจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวครูว่าของคู ถาความรู้สึกของตัวกูของกูมีมันสั่นในใจแล้วมันสั่นมาถึงกายแล้วมือมันก็สั่นนี่เรียก ว, ว่ายิงปืนก็ต้องยิงด้วยจิตว่างที่เมื่อจะสอบไล่นักเรียนจะสอบไล่ <c oughs> เขาต้องเตรียมจิตให้ว่างเช่นกันโดยรู้ว่าการสอบไล่นั้นเป็นอย่างไรเพื่ออะไรนนะรู้หมดแล้วพอถึงลงมื อ, อตอบคําตอบคือการสอบจริงๆนั้นต้องลืมหมดลืมตัวตนหมดให้เหลืออยู่แต่สติสัมปชัญญะกับสติปัญญาเท่านั้น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 ในขณะที่ลงมือตอบนั้นยาได้มีเป็นอันขาดในขณะที่ทําข้อตอบคําตอบนั้นยาได้มีให้เตรียมอยู่แต่ด้วยสติสมัมปชัญญะกับสติปัญญาที่เรียกว่าความว่างจากตัวตนนั่นเท่านั้นแล้วเขาก็จะสอบลายได้ดีเป็นพิเศษจําได้เก่งเรียนเก่งจําเก่งคิดนึกเก่งตัดสินใจเก่งทีนี้มากที่สุด <c oughs> แต่เรื่องที่จะทะเลาะวิวาทกันเ <c oughs> นี่ยมาใช้คำอย่างนี้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 สำหรับผู้ที่มีจิตว่างเนี่ม้แต่จะ ช, ก, ชกต่อยกันก็จะก็ขอให้มีอการกระทําไปดนจิต ว, ว่างเือลืมตัวเสียขาดไม่เลิง้งไม่จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณรวดเร็วว่องไวตามอานุภาพของจิตว่างวิทยาเล่าวิวาสการชกต่อยกันก็ต้องทำโดยจิตว่างทีนี้เพื่อความเข้าใจมากไว่อีกมาอยากจะให้ตัวอย่างไปอีกทางหนึ่งว่าการร้องเพลงหรือดนตรีอะไรเนี่ย ประเภทหนึ่งเป็นไปโดยจิตว่างประเภทหนึ่งเป็นไปโดยจิตวุ่นท่านดนตรีบริสุทธิ์ไม่เล็งถึงความหมายไม่มีความหมายอะไรหรือผิวปากเล่นอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าจิตยังว่างอยู่ไม่ว่าเราจะร้องเพลงเพลงไทยหรือเพลงอะไรก็สุดแท้ถ้าทําไปโดยปราศจากเอ๋ความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ยังเรียกว่าร้องเพลงโดยจิตที่ว่างยิ่งกว่านั้นไอดนตรี three, บางชนิด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 แต่หน้าแล้วถ้าร้องเพลงด้วยกิเลสตัณหานั่นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องจิตวุ่นมีความมุ่งหมายทางเพศทางอะไรก็โดยแล้วมันยิงไฟกันใหญ่แต่ยาเหมาว่าขึ้นชื่อว่าร้องเพลงหรือดนตรีแล้วจะเป็นเรื่องจิตวุ่นไปหมดท่านก็ให้นึกถึงหลักตัวทั่วไปศิละปะบริสุทธิ์นั่นมีคุณโดยสนับสนุนความมีจิตว่างตัวศิละปะ ไม่บริสุทธิ์นั่นย่อมจะแสดงสูนกิเลสตัณหาเป็นธรรมดาท่านเราจะได้ปรับศิละปะให้มากไปโดยส่วนเดียวหรือว่ายกย่องโดยส่วนเดียวต้องแยกออกไปว่ามันเป็นศินละปะที่ช่วยให้จิตว่างหรือว่าช่วยให้จิตวุ่นท่านเราอย่าไปว่าเด็กๆ เ, เขาร้องเพลงแล้วจะเกิดกิเลสตัณหาหรือว่าใครร้องเพลงเล่นผิวปากเล่นจะเป็นกิเลสตัณหาไปเสหมดต้องดูถึงภายในจิตใจของเขาว่ากําลังเป็นอย่างไร อันทา่านก็ได้มีจิตใ จ, ใจวุน่นกำลังโกรธใครจะผิวปากให้หายให้ใหายอารมณ์ตึงเครียดนะั้นมันก็ยังเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักอันนี้ทีนี้ทีละเอียดขึ้นมาเหมือนกับว่าศิละปะปีมือที่เราจะแสดงออกเป็นความงดงามอย่างจัดแจกันดอกไม้หรืออะไรตอนนี้ลองดูมีจิตวุ่นและจัดแจกกันและมีจิตว่างอย่างว่าและจั ด, จดอีกแกกกันอันไหนจะสวยกว่าขอใหอ้ลองดู และเปียบเทียบดูแต่คำว่าจิตว่างนี่อย่าลืมจะต้องเป็นอย่างที่ธมมาว่าสมบูรณ์สิทธิสมบัชยญาปัญญากรสศจากพาทารันความคุ้นเครียดอยู่ด้วยอิโกอิสตุแก้กันไหมจักสวยกว่าเี่เวลาก็มีน้อยเพราะนั้นยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็ควรจะพอแล้วสำหรับคำว่าทำงานด้วยจิตว่างนั่นได้ผลดีที่สุดทีนี้ที่ว่า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 แต่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรืองานนั่นอีกต่อห น, นึง่งเมื่องานนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้สิ่งที่เรียกว่างานงานเพื่องานงานหลังก็คือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนท่านก็ต้องเพื่อไม่ใช่ตัวตน น, นั่นแหละทำงานเพื่องานนั่นแหละคือทํางานให้ความว่างเมื่อความว่างคํานี้เป็นคำํำพิเศษมีความหมายเฉพาะในตัวมันเองอย่าอย่าได้พลาดไปจนเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อทํางานด้วยจิตว่างแล้ว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 ก็ตอบว่ากินอาหารของความว่างมันก็กินอาหารของธรรมะกินอาหารของพระธรรมกินอาหารของพระพุทธเจ้ากินอาหารของพระสงฆ์แต่เรามายักเรียกว่ากินอาหารของความว่างซึ่งมีความหมายเฉพาะเป็นพิเศษนั้นเราจึงมีอาหารกินทั้งที่เราทํางานด้วยจิตว่างทํางานให้ความว่างเราก็มีอาหารกินจากความว่างนั่จะเป็นอาหารที่บริสุทธ์ อาหารที่ใหม่ประกอบด้วยโทษเนี่ยทำความเจริญโดยแท้จริงแล้วก็ถัดไปที่ว่าอยู่หรือมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างเนี่ก็คืออันแรก่ะตัอมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยโดยไม่มีอะไรเป็นตัวเราโดยไม่มีอะไรเป็นของเรา <c oughs> นี่เรียกว่าอยู่ด้วยความว่างตลอดเวลาที่ข้อที่ว่าส่วนความตายนั้นไม่มีไปเสียตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> คือเมื่อยึดหลักเป็นเป็นหลักที่ว่ามีความว่าง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 แต่มาก็ยังไม่ท้อถอย <c oughs> ยังพยายามจะทำให้เข้าใจใจนได้ <c oughs> จึงได้แนะว่าทำงานไ้จิตว่างท่านทุกคนไม่ว่าคนชนิดไหนไม่ว่ากรรมกรชนิดไหนไม่ว่าบุคคลชั้นไหนแล้วค่อยๆถือหลักเป็นทำงานให้ความว่างกินอาหารความว่างอยู่ด้วยความว่างนี่ยิ่งขึ้นถูกแล้วข้อนี้มีชีวิตอยู่อย่างนะักบวชเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและทาได้ง่าย อามาก็พร่ำสอนพิกษุที่อยู่ด้วยกันว่ากินอาหารของพระพุทธเจ้ า, าไม่ใช่กินอาหารของเราหรือของชาวบ้านที่มีกินอยู่ทุกวันนี่ในตัวตัวขยอย ข, ขยอ ย, ยไปพระเจ้าตัวจริงนั่นคือธรรมะธรรมะตัวจริงก็คือความว่า <c oughs> งก็งค่อยๆเลื่อนกันไปลําเป็นลําดับจนกินอาหารของความว่างก็พอจะเข้าใจกันได้ส่วนคาราว่าตัวตัวไปนั้นออกมาก็ไม่แน่ใจ <c oughs> จึงขอฝากไว้ก่อน ที่นี่สรุปแล้วก็เป็นหัวข้อว่าทำงานด้วยจิตว่างทำงานให้ความว่างกินอาหารด้วยความว่างอยู่ด้วยความว่างส่วนความตายนั่นไม่มีไปเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วหลักที่มีความหมายที่มีใจความอย่างนี้เราพอที่จะามให้คนทั่วไปเข้าใจและรับเอาไปเป็นหลักปฏิบัติ ความตสงควรแก่อัตภาพของเขาได้หรือไม่ขออาจารย์ชึกฤทธิ์ช่วยอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ในพิกลภาวะก็ได้อย่างท้าว่าไม่ไม่ขัดข้องอะไรคือผมเห็นนั่งฟังมาคือ่ขึ้นตังขันตนแล้วแสดงธรรม ท, ที่เป็นความสัจธรรมที่กวา้างขวางเหมือนกับมหามหาสมุทรแล้วเสร็จแล้วพอถึงขึ้นในเรื่องที่ว่าความมุ่งหมายของการพ้นทุกข์คือการ ไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นการตัดปุปาทานให้พน้นนั่นเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทีนี้พอมาเข้ากรอบที่ตรงที่ว่าทํางานด้วยจิตว่าง อ, อทําให้เกิดทํางานให้เกิดความว่างกินอาหารจากความว่าง น, นี้่ผมขอประทานโทษขอเปรียบตรงตรงคือฟังดูแล้วเหมือนอย่างกับว่าในท่าพยายามจะเทพระมหาสมุทรลงไปใส่ขันใบเล็กๆมันใส่ไม่ลง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 ผมยังถือว่าอย่างนี้ที่ท้าวก่าวในตอนท้ายนั่นท้าวเองก็ยอมรับว่าถ้าบวชเป็นพระในการพูดแก ง, ง่ายในเรื่องเหล่านี้ <c oughs> เรื่องทํางานได้จิตกว้างเรื่องออทํางานเพื่อให้เกิดความว่างเรื่องออออออกินอาหารจากความว่างจนในที่สุดอยู่ในความว่างเพราะฉะนั้นอย่างที่คนโบราณพูดก็จัดพระไต้ปิฎกอีกแล้วครับที่ว่าคาระวะสําสเร็จพระอาหารหันแล้วตายภายในเจ็ดวันนั่นผมเชื่อแต่พระสําเร็จพระอาหารหันไม่เป็นไรอยู่ไปได้จนกว่าจะแก่ และบางทีก็ไม่ตายอยู่ไปอายุยืนยืนทั้งหลายร้อยปีพระภิกขุภาวะนั้นสะดวกสําหรับการปฏิบัติทำอย่างนี้ถ้าว่าจะเอามาติปฏิบัติในทางคารวะากับผมเห็นแม้ยังขัดข้องเหลือเกินทั้งนี้ไม่ใช่แปลว่าทำนั้นผิดเชื่อถือไม่นายเปล่ากลางข้ามเห็นว่าถูกที่สุดนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนซึ่งยังอยู่ในคารวาะวิสัยจะพึงปฏิบัติแค่ไหนที่เช้ากล่าวมานั้นเป็น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 นี่ถ้าจะคิดกันอย่างปรามัดกันจริงๆแล้วสกิทว่างแล้วมันก็ไม่ทํางานถ้าผมทําตัวให้ปราศจากอุปทานให้ได้จริงๆแล้วผมก็จะไปขอบัพประชากระได้เท้าผมจะนั่งทํางานเนี่มันเสียเวลาหยกสีนี้เพราะมันยังไปไม่ไหวมันต้งได้นั่งเป็นพระวาดอยู่ยิ่งแอุปทานไม่หมดไอการทํางานมันเป็นสภาพของการยึดมั่นถ้าใครยังไม่ถึงขนาดคุณก็ต้องทํางานกันต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของทุก์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 จับเป็นตาขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นอนัตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจับไอ้นี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของผมทั้งนั้นถ้ามีสติอย่างนั้นแล้วก็ทํางานไม่ได้อีกนึกจะออกไปค้าไปขายอะไรสักหน่อยอก็ไม่เที่ยงกันได้เงินมากมัมีประโยชน์อยา่าเนอนดีกว่าอ่าจะมาเข้าใจนี่ครับมันมันอย่างนี้มผมราะไม่ได้รเรียนด้วยความเขารอบจริงๆคือเพรมันยังไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะเข้าใจ แต่มันนึกอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเผื่อได้ท้าบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้าว่าต้องเออคือว่าถ้าสอนสรุปไปว่าต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการจะทําให้จิตว่างไม่ยึดไม่มั่นอะไรแล้วแล้วก็ได้ท้าก็มาจบลงหันมากวาดมือกับผมบอกเอฮิฟิกขู่ผมไปเลยตามขวดผมเชื่อแต่ถ้าได้ท้าสอนอย่างนี้แล้วบอกว่างั้งเอเดี๋ยวเองกลับบ้านไปทํางานไปแล้วก็จิตบงางวนะ่างแล้วลูกนะผมทําไม่ได้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 ปริมาณมันไม่เหมือนการอย่างดีก็ถ้าเผื่อว่าใครฟังนี่ไปแล้วอย่างดีจริงๆไอ้ที่จิตว่างที่ใส่เท้าพูดนะ่ะมันก็ไม่ใช่จิตว่างมันเป็นอุปาทานนั่นเองแต่มันว่างจากกิเลสนิดๆหน่นนนอยๆเท่านั้นมี่พูดในทางโอจิกมันไม่เข้าไอ้ผลเนี่ยมันมีทาง p r a c t ิ c a l l y ผมรับแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเทศเรื่องนี้ก็ได้ก็เทศเรื่องทําบุญสุนทานอะไรจนในที่สุดเออสอนให้สอนลลกลองๆมาทําบุญแล้วตายไปจะขึ้นสวรรค์ก็ได้ก็ทําดี มานั่งพูดมันวกวนไปนอกลู่นอกทางทําไมที่ไม่ได้แปลว่าในเช้านอกลู่นอกทางหรอกคือว่ามันก็มันไม่ทักเทพแต่คนทําดีมันก็อย่างธรรมดาสามาัญเขาก็มีเดี๋ยวนี้มาจับได้แล้ว <c oughs> คือว่าอที่ว่าให้ทํางานด้วยจิตว่างอย่าให้เจือด้วยความรู้สึกว่าเราหรือของเรานั้นหมายความว่าในขณะที่ทําำในขณะที่ลงมือทํานี่ต้องมีจิตว่าง สนสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเรามีประเทศชาติศาสนามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อประเทศชาติศาสนาทำงานเพื่อหน้าที่นี่มันมีแล้วมีก่อนแต่ลงมือทำนั่น่ะมีมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้จะเรียกว่าเป็นอุปท า, านที่เป็นไปในฝ่ายดีก็ได้และอุปาทานที่เป็นไปในฝ่ายดีนี่ไม่ได้ถูกตำหนีตีเตียนโดยส่วนเดียว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 มีอาชีพมาอย่างไรมีเประโยชน์ส่วนละส่วนร่วมอย่างไรนี่คิดไปได้แต่ก็ยังกล่าวได้ว่าด้วยจิตว่างอยู่เหมือนกันมีสติปัญญาสูงสุดคิดไปว่าควรจะทําอะไรและมีเอความสาคัญอย่างยิ่งตรงที่ว่าขณะลงมือทําแล้วก็ให้เหลืออยู่แต่สติกับปัญญากสติสมมาชน ญ, ญาตอย่างที่กล่าวและสตินั้นแน่นอนสติในพระพุทธศาสนาหมายถึงสติปัฏฐาน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 เพว่าบางทีอาจจะได้ของพิเศษที่สุดจากปริมาณที่มากที่สุดเหมือนกับ น, น้ําที่ขังอยู่ในถังใบเล็กๆแต่ที่เราเทให้ทั้งมหาสมุทรก็ได้เรามีความหมายมุ่งหมายอย่างนี้ท่านขอฝากไว้ให้อคิด ต, ต่อไปด้วยอาจจะเข้าใจไม่ได้ในวันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ในวันหน้าหลักธรรมะส่วนลึกนี่เราต้อง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 เพื่อประโยชน์แก่ความเข้าใจต่อห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าและเรื่องจิตว่างหรือทำงานด้วยความว่างนี่ก็รวมอยู่ในในในในในพวกนี้ด้วยนี่เรียกว่าอาตมาพยายามที่จะบอกกล่าวท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายควรจะเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาหรือเพื่ อ, อให้ได้ผลทันตาเห็น ถ้าเรามีมีมีหัวข้อว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างไรเอามาเสนอว่าควรเข้าใจธรรมะอย่างนี้ในทางการีพูดนี่ก็ถูกต้องและมีเหตุผลควรที่จะเอาไปคิดไปนึกและปรับปรุงและ ส, ะสางให้ให้ให้เข้ารูปจนพอที่จะได้รับประโยชน์มมในปริมาตร เทียบเท่ากับส่วนน้าปี๊บเดียวจากมหาสมุทรก็ขออย่าได้ทอถอยทุกๆ ท, ท่านอย่าได้ทอถอยจังพยายามศึกษาคำว่าว่างหรือจิตว่างซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี้ให้เข้าใจกันให้จนได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ถือว่านิพพานนี่คือว่างอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งคือนิพพานหมดความรู้สึกว่าตัวตนถึงที่สุดเมื่อไรนั่นคือนิพพาน เข้ามาผูกเป็นคำกลอนทีหลังว่านิพพานังประมังสุญญ์ยังนี่ก็ผูกจากหลักคํากล่าวที่กล่าวว่าเป็นร้อยแก้วแต่ความหมายอย่างเดียวกันว่าไอ้นิพพานเลยคือว่างอย่างยิ่งไอ้ว่างอย่างยิ่งเลยคือนิพพานทั้งสมมตโบนัมมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เรามุ่งหมายไว้ในฐานะเป็นอของข้างหน้าที่จะถึงในวันหนึ่งแล้วขอร้องว่าเราเข้าใจธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้เถิด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 คำว่าความว่างนี่มันมีความหมายเฉพาะออย้ำแล้วย้ำอีกว่าคำว่าว่างนิพานว่างอย่างยิ่งนี่มีความหมายเฉพาะหรือพระพุทธภาษิตที่สําคัญอีกข้อหนึ่งว่าตุนเโตโลกังเวกขัดสุนี่ที่บอกว่าให้ดูโลกคือทั้งหมดเนี่โดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเถอะนี่ก็หมายความอย่างนี้ว่าโลกที่จริงมันว่างแต่เราไม่เห็นเป็นว่างแล้วกขอพยายามพยายามพยายามให้เห็นจริงให้จนได้ว่ามันว่างอยู่ นี่จะนำไปสู่สูงสุดอภาวะสูงสุดที่พึงปรารถนาไอ้คำกล่าวที่ใช้เป็นคําบัญญัติเฉพาะคู่กันเนี่ยมันมีความหมายพิเศษเฉพาะของมันเองแล้วผิดยุคผิดสมัยกันแล้วเข้าใจา ย, ยากธรรมาจึงพยายามอย่างยิ่งที่ใช้ภาษาไทยปัจจุบันภาษ า, าไทยง่ายๆพี่ของมาฝากอาจารย์นิดนิดหนึ่งตอนนี้ว่าในสมัย สองพันปีเศษมาแล้วมีจารึกที่พระอบอัฐิของพระอ า, หารหันที่ขุดพบที่สารจีกลุ่มสตูเหลานนะั้นพระอบจารึกในข้างในมีสาะิ ข, ข้างขอบพระอบมีจารึกว่ากระดูกของไค่เขาใช้คำว่าสัปปุริสะสัปุริสัตสะโมขลีปุตตัสั โมโหคลีบุตรผู้นี้ก็คือเราผู้ที่เราขา้าราชกาเป็นพระอรหันต์แล้วก็โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าอาโศกได้ส่งภิกษุออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในทิศทางท่งางซานเมท่านตายแล้วเก็บก็รูกไว้ที่นี่อบนีิจารึกว่าสัปปุริสัตมะมโมคหคลีบุตรัสสะและออ ก, อ, กออกจื่อมชิมกัสตะหลายหลายองค์ที่เป็นผู้ร่วมงานทั้งทาง่านข้างหน้าใช้าคาว่าสับปบุริสานี่นแล้วสัตบุรุษเท่านั้น ผู้ที่เราเชื่อกันว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่มาคำาภาก่อนเราเคยพูดกันถึงคําว่าสัตบุรุษทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอีกพระเสด็จถูกหนึ่งครอบพระอบหินอย่างเดียวกันบรรจุกระดูกของพระอาหารหันต์ที่สาคัญคือพระมหาพระสารีบุตรกับพระโมกคันลานะพระอกไปนี้กลับเขียนหนังสือท่นสั้นว่าสารีบุตตะนะมหาโมกคันลาน ะ, ะนะไม่มีคําว่าอะไรข้างหน้าไม่มีคําว่าอาหารหันต์หรือสัตบุรุษ เนี่ยลองคิดดูพระหันที่เด่นที่ยกขึ้นตึกลับไม่มีสมัญญาอะไรอยู่ข้างหน้าพระหันที่ย่อยลงมามีคําว่าสัตพุริสาสัตตบุรุษเนี่ยวิธีใช้คําหรือวิธีไหนมันผิดกันจังมากมายอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยนี้แล้วเราคงเขียนตั้งบรรพยาวยาวเลยว่าพระบรมอะไรเงั้นอย่างนี้แก่พระสารีบุตรคำวคันลานะ <c oughs> นี่ก็เพื่อจะได้รู้กันว่าคําว่า สัตธบุรุษนี้ก็มีความหมายเ อ, อยืดหยุ่นกว้างขวางตามยุคตามสมัยจนยากที่เราจะเข้าใจนี่ เ, เป็นคําที่ใช้อยู่ในพระพุทธศาสนาที่เป็นนั้นว่าอย่าได้ยึดมั่นติดมั่นในคํามั่นในคํานี่นะักคือถ้ายึดก็ยึดปดในทางที่เป็นผลดีดีกว่าเถ้นเป็นพระหันชั้นเอก เ, อเนี่ยว่างเลยไม่ต้องเติมข้างหน้าว่าพระอรหันต์หรือพระอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นข้ารีพุทธกับระโมกคันลานะส่วนโมคคันนีบุตธตัตานั้นมีสัจธรุษอยู่ข้างหน้ามีสองคำนะนั่นสรุปความว่าควรเข้าใจธรรมะในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้อาจารย์ก็เห็นว่าควรมีข้อแม้อย่างไรหรือจะอภิปรายอย่างไรจะเอียดให้เพียงเท่าไรก็ขอได้กรุณายครั้งเดียวแล้วจะได้อจบการสางกัจฉา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 ว่าคนอย่างพระโมคคัลาภาษาวริบุตสาวกพระพุทธเจ้านั้นเมื่อว่างแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนอย่างกับผมไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนส่วนมากที่นั่งอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอย่างท่านหนุ่งผมได้ผ้าสามฝืนสละหมูสละคณะออกไปอยู่สังหกักแล้วก็ถือศินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นปกติ ไม่เดือดร้อนในการถือนั้นไม่ใช่ว่ากายบังคับให้ถือมันถือไปเองอย่างนี้เรียกว่าว่างคนอย่างกระผมไปทำงานด้วยจิตว่างผมยังมองไม่เห็นเพ ร, ะราะลักษณะของงานมันขัดต่อการจิตว่างภาวาของผมสภาพของผมมันว่างไม่ได้ถ้าว่างพแล้วรมันก็ไม่เป็นกับผม ถ้าท่านบอกไปผมไปบวชสมันจะว่างผมเชื่อไม่ใช่ว่าะยุดอะไรทางนั้นผมก็ไม่หยุดทีนี้ในการทํางานด้วยจิตว่างนั้นผมก็อยากจะเรียนถามเหมือนกันท่านหมายความว่าอย่างไงถ้าท่านบอกว่าทํางานด้วยจิตว่างแล้วงานทางโลกนั่นจะดีผมไม่เชื่อคือบอกว่าท่านเป็นทหารไปรบกับเขารบด้วยจิตว่างยิงปืนด้วยจิตว่างแล้วมันจะเป็นทหารที่ดีเป็นยังไงพูดไงผมก็ไม่เชื่อ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 ไอคนที่เขาทางานกันเขาเพื่อทําเพื่อหาความทุกข์เขาไม่ได้ไปหาความสุขไอที่หมาย ค, ความสําเร็จเของงานเป้าหมาย ค, ความในทางโลกถ้าทํางานด้วยเพื่อจิตว่างด้วยความสําเร็จทางทางจิตว่างเป็นความสําเร็จทางทางถูกแต่ว่าจะเอาพร้อกันทั้งสองอย่างไม่ได้สําเร็จทางทางจิตว่างต้องเสียทางโลกไม่งั้นคนเราจะไปบวดันทําไมก็สักก็นั่งกันอยู่จิตว่างกันอยู่ท่านผูกเน็คไทยอย่างนี้ก็ได้ นี่มันว่างไม่ได้มันผูกมัดอยู่อย่างนี้ที่หมายความว่าคาราวาที่จะไม่พยายามทําให้จิตว่างมันผมว่าทําได้สิครับคือว่างกิเลสผมเชื่อแต่คาราวาควรจะพยายามทำแล้วควรจะรู้ด้วยทุกอย่า ง, งไม่ควรจะยึดจะถือผมเชื่อผมเชื่อคือคาราวานะควรจะศึกษาธรรมะพระพุทเจา้าควรจะรู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรแต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรู้ด้วย แม้แต่ในขณะที่ทําไปนะ่ะถ้ามันจำเป็นต้องยุดมันก็ต้องยุดเพราะเรายังเป็นคาราวาสถ้าปล่อยหมดก็อย่าเป็นคาราวาสที่ต้องการให้คาราวาสทํางานได้ด้วยการที่มีความทุกข์น้อยและมีความมีผลสําเร็จ เ, เต็มเนี่ยจะมีวิธียังไง<อ>ด้วยจิตว่างหรือด้วยจิต<ม>นี่ผมผมเห็นว่ามันทุกอย่างละครับทือ ถ, ถ้าจะเอาผลสําเร็จทางโลกแล้วมันก็ต้องซื้อผลสําเร็จนั้นด้วยความทุกข์ จะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรอกเลยทาขนมบางสองหน้าไม่ได้อไม่มีใครเขาใส่บาตรอย่างนั้น่ะเป็นขา่าวว่าทางโลกในท้าต้องซื้อเขาด้วยความทุกข์ผมขอสอนภาคสักวันนะครับเพ <c oughs> อยู่ในโลก <c oughs> ผมรู <c oughs> ไมม้ไม่มีทางไม่มีทางทําได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะให้สิ้นทุกโดยสิ้นเชิงแล้ว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 มันต้องนึกว่าทําเพื่อตัวอยู่นั่นเองแหละแต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดเสียหายขึ้นมาแล้วตอนนั้นแหละธรรมะของสายตาเขามาช่วยได้เอ้ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรไม่ใสีตัวเส่ตัวของเรามันเสียไปแล้วมันก็นึกได้มัน <c oughs> ก็ปล อ, อบใจได้เหมือนกันตอนนี้เราจะต้องวิวาสกันแล้วคือความวิวาทของเรามีวาทะต่างกั น, นอยู่ที่ตรงนี้อาตมายืนยันว่าแม่เป็นคาราวาทํางานอย่างคาราวาทก็ต้องพยายามเอาเอ า, เอาชนะทําให้เกิดชัยชนะต่อความทุกข์คือเออ การงานนั้นน่ะให้ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยอุบายวิธีที่เอาเอาหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าทําจิตให้ว่างจากอุปาทานเนี่ยไปใช้ให้ถูกตามสัสดตามส่วนและให้ลืมความเป็นคาราวาหรือความเป็นบรรพชิตเสียชั่วคราวมีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าในจิตใจกําลังเป็นอย่างไรถ้าเป็นทุกข์ ก็จะแก้มันให้ตรงจุดโดยหลักที่ว่าสิ่งนั้งพวงเกิดมาแต่เหตุนี่แล้วก็ก็จะค่อยเป็นพระอยู่ในในในในบ้านในเรือนนั่นเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนายถึงขนาดที่ทนไม่ไหวเอต้องออกไปเอเป็นผู้ไม่มอย่างนั้นผมเชื่อครั บ, รบอย่างนั้นผมเชื่อเอาแค่นั้นผมเชื่อแล้วม<า>ผมไม่เข้าใจฟังแต่แรกคล้ายๆแต่ท้าก็าาจะให้จะให้เป็นพระอยู่ในเรือนแล้วไม่ต้องไปบวชทีหลัง ถ้าค่อยๆ อ, อบรมขัดเกลาไปทำให้ความว่างเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็ผมเชื่อมาจริงบอกไปเลยว่าให้พยายามทุกอย่างให้เข้าเข้าใกล้ความว่างเนี่ยมากขึ้นแม้แต่ในการทำงานในการกินอาหารในการมีลมหายใจอยู่ใชอ่อวายที่ปรณีตแยบคายที่ให้เราเข้าใกล้ความว่างเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแม้ในแพทยที่สมมติกันว่าเป็นคราวาสอ่งครับเห็น ถ้าเราคงแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นไม่ในครอบเีกยอดก็ไม่ใช่มันมันแตกกันเยอะครับคือถ้ายิ่งว่างมากขึ้นไอความสําเร็จทางโลกมันต้องน้อยลงทุกทีถ้าอย่างนั้นยังไม่ใช่ความว่างคือที่ท้าวบอกว่าจะให้ความสําเร็จมากที่สุดแล้วว่างด้วยเป็นไปไม่ได้ว่างก็เอาสําเร็จก็คือว่าจะว่างก็จะต้องว่ากันทางว่างจะสาเร็จก็ต้องสำเร็จถ้ายิ่งสําเร็จมากเท่าไหร่ยิ่งว่างน้อยถ้ายิ่งว่างมากเท่าไหร่ยิ่งสําเร็จน้อยนี่คือข้อแตกต่างกันคือว่าคือว่าอเป็น เป็นมหาเศษเรษฐีด้วยเป็นสัตว์รุษด้วยไม่สําเร็จหรอกครับมหาเศรษฐีนี่ทุกมากไม่ว่างยังนีมหาเศรษฐีทุมากเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอะไรบุคคลจะมีได้ไหมไงครับเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นอริยบุคคลมีได้ อ, อถ้ากินได้มรดกมาได้แต่หาเองไม่ได้แล้ว <c oughs> ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลก็ไม่คิดเป็นเศรษฐีซะแล้วเป็นพระบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยเป็นเศรษฐีด้วย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 แล้วเราถึงได้มีเวลาว่างมานั่งคุยกับท่านได้แล้วถ้าผมมาตั้งใจจะตั้งหน้าหาเงินอย่างเดียวเพราะอยากเป็นเศรษฐีวันนี้ผมไม่มาผมไม่ว่างแล้วคนที่เป็นเศรษฐีแล้วอพอรู้สึกพอแล้วจะไปสนใจเรื่องของธรรมะความว่างนี้ได้ไหมก็อ้างว่าสนใจแล้วก็ได้แต่ใครลองไปแตะเงินก็นเลยครับเกิดไม่ว่างขึ้นมาเชียวผมไม่เชื่อนะฮะ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 ลงมือทํางานรายใดแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ใช้ในกรณีนั้นเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นอย่างเฉพาะส่วนกรณีขัดแย้งกันเกี่ยวกับทิดเห็นเกี่ยวกับการเวลานี้ไม่สําคัญโดยเนื้อหาอาจารย์ชื่อก็ยอมรับว่า อ, อุปาทานนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําลายต้องละในที่สุดแต่นั้นเป็นหลักของพระพุทธศาสนานั่นมาก็ย้ําและยืนยันว่าเราควรเข้าใจธรรมะในลักษณะนี้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 เข้าใจธรรมะในลักษณะนี้แลขอจิตติแ ล, ข อ, แลขอท่านอาจารย์คริสต์กล่าวสรุปพัฒนาอีกส่วนตัวอีกครัง้งหนึ่งคือก็ผมก็อยากจะสรุปนิดเดียวว่าความจริงที่ท่านพุทธทาสท่านจะคุณท่านในกรุณากล่าวธรรมะมานะ่ะผมเห็นด้วยทุกประการไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งเลยแล้วก็เป็นท่านได้พูดความจริงที่สุดในเรื่องการเรื่องปัญหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายท่องปวงนะ่ะเป็นความจริงซึ่งไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้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 มันเป็นเรื่องของการเสียสละคือว่าโลกกับให้พูดกันอย่างชาวบ้านนี่ทาในที่นี้ขออย่าได้เข้าใจว่าหมายถึงทำตามที่ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ท่านเจา้าคุณท่านได้อธิบายมาแล้วตามสามความหมายของการทำไม่ใช่อย่างนั้นพอพูดถึงโลกกับทำอย่างที่เราพูดกันทุกวันนี้คือโลกหมายความหมายความวุ่นวาย อ, อ, อ, อ, อ่อนแรงต่างๆทําหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความสงบต่างๆมันเป็นของขัดกันอยู่ในตัว เราอยู่ในโลกเราก็ได้แต่ยึดทมเป็นที่พึ่งความบริสุทธิ์สะอาดเป็นที่พึ่งความรู้ว่าตถนาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกไว้เป็นประจำใจแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติทำตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วโลกนั้นมันก็จะหมดความสำคัญสำหรับเราไปเองมันไม่เชิงว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราอยากหรือไม่อยาก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 ยาบเหลือนะครับเขาแปลผิดเอาง่ายๆอย่างได้ท่าบอกเขาสะทํ า, าทใจให้ว่างแล้งงานสําเร็จเนะ่ยเขาเข้าใจทันทีว่าสะทามใจให้ว่างแล้วเงินลา้านเงินแสน จ, จะเข้ามาคนทุกวันนี้หายใจเป็นเงินอยู่ตลอดนี่เป็นอุปสรรคของการประกาศทำเผยแพร่ธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะกราบเรียนไว้เพราะฉะนั้นว่าโดยทั่วไปผมไม่ได้มีความเห็นแตกต่างเลยแล้วก็ได้ฟังพระธรรมที่ท่านได้ อ, อธิบายมาด้วยความจับใจเป็นอย่างยิ่งอย่างลึกซึ้งและได้ความเข้าใจ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 ไม่ใช่เพราะมีความเห็นขัดแย้งหรือไม่ใช่เพราะอยากจะมาขัดคอพระให้บาปกรรมประหลาดความจริงไม่ได้ขัดคอท่านเลยและประการสุดท้ายผมเองขอกราบเรียนในความสุดจริตใจผมไม่เคยยึดถือพระอรหันต์เลยเรียกพระอรหันต์เรียกสัตตบรูดหรือเรียกสัริบุตรเฉยๆก็ก็เท่ากันเท่านั้นไม่เคยนึกอยากเป็นพระอรหันต์ไม่เคยคิดจะเป็นแล้วก็ไม่เคยนึกด้วยว่าการเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นของ วิเศษวิโสพึงปรารถนาอะไรทั้งนั้นไม่เคยยึดมอีอุปาคานในครอนี้เลยเห็นจะสรุปได้เท่านั้นล่ะครับส่วนที่แปลกๆมาจะไปคิดดูถ้ามีโอกาสพูดกันใหม่สีเลยเวลาไม่ใช่นะ